เรื่องมูลเหตุเกิดมงคลลปัญหาในการพรันนามงคลลสูตรนั้นเพราะเหตุที่ข้าพเจ้าตั้งมาติกาหัวข้อไว้ว่าเมื่อจะพันนาความแห่งปาฐะมีอาธิว่าเอวังด้วยประการต่างๆจะกล่าวถึงสมุดฐานมูลเหตุดังนี้นี้เป็นโอกาสที่จะกล่าวถึงสมุดฐานมูลเหตุนั้นฉะนั้น จะกล่าวถึงสมุดฐานมูลเหตุเกิดมงคลและปัญหาเสก่อนแล้วภายหลังจึงจกพนนาความแห่งบทคถาเหล่านี้เล่ากันมาว่าในชมพูทวีปมหาชนชุมนุมกันในที่นั้นๆเช่นใกล้ประตูเมืองสภาแห่งสถานราชการเป็นต้นมอบทรัพย์สินเงินทองให้เขาเล่าเรื่องต่างๆเช่นเรื่องนำนางสีดามาเป็นต้น เรื่องหนึ่งหนึ่งเราอยู่ถึงสี่เดือนจึงจบในสถานที่นั้นวันหนึ่งในสถานที่นั้นเรื่องมงคลละปัญหาก็เกิดขึ้นว่าอะไรเล่าหนอเป็นมงคลสิ่งที่เห็นหรือเป็นมงคลเรื่องที่ได้ยินหรือเป็นมงคลหรือเรื่องที่ทราบเป็นมงคลใครหนอรู้จักมงคลดังนี้ ครั้งนั้นบุรุษผู้หนึ่งชื่อทิฏฐมังคลิกะซึ่งแปลว่านับถือสิ่งที่เห็นเป็นมงคลเขากล่าวว่าข้าพเจ้ารู้จักมงคลสิ่งที่เห็นเป็นมงคลในโลกรูปที่สมมติกันว่าเป็นมงคลยิ่งชื่อว่าทิฏฐิรูปอย่างไรเล่าคนบังคลในโลกนี้ตื่นแต่เช้าเห็นนกกระเตนบ้างเห็นต้นมะตูมรุนบ้างเห็นหญิงมีคันบ้าง เห็นเด็กรุ่นหนุ่มตกแต่งประดับกายเทินหม้อเต็มน้ำบ้างปลาทะเพียนแดงสดบ้างม้าอาชาไนาบ้างรถเทียมม้าบ้างโคผู้บ้างโคเมียบ้างโคแดงบ้างก็หรือว่าเห็นรูปแม้อื่นใดเห็นป่านนั้นที่สมมุติกันว่าเป็นมงคลยิ่งรูปที่เห็นนี้เรียกว่าทิฏฐิมงคล คนบางพวกก็ยอมรับคําของเขาบางพวกก็ไม่ยอมรับพวกที่ไม่ยอมรับก็ขัดแย้งกับเขาครั้งนั้นบุรุษผู้หนึ่งชื่อสุตตะมังคลิกะก็กล่าวว่าท่าเนเอ๋ยขึ้นชื่อว่าตาย่อมเห็นของสะอาดบ้างของไม่สะอาดบ้างของดีบ้างของไม่ดีบ้างของชอบใจบ้างของไม่ชอบใจบ้าง ที่ว่ารูปที่ผู้นั้นเห็นพึงเป็นมงคลไซสก็จะพึงเป็นมงคลทั้งหมดนะสิเพราะฉะนั้นรูปที่เห็นไม่เป็นมงคลก็แต่ว่าเสียงที่ได้ยินต่างหากเป็นมงคลเสียงที่สมมุติว่าเป็นมงคลยิ่งชื่อว่าสุตตะอย่างไรเล่าคนบางคนในโลกนี้ลุกขึ้นแต่เช้าได้ยินเสียงเช่นนี้ว่าจเจริญแล้วจเจริญอยู่ เต็มขาวใจดีสิริเจริญด้วยสิริวันนี้ฤกษ์ดียามดีวันดีมงคลดีหรือเสียงที่สมมุติว่ามงคลยิ่งอย่างใดอย่างหนึ่งเสียงที่ได้ยินนี้เรียกว่าสุตตะมงคลบางพวกก็ยอมรับคำของเขาบางพวกก็ไม่ยอมรับพวกที่ไม่ยอมรับก็ขัดแย้งกับเขา ครั้งนั้นบุรุษผู้หนึ่งชื่อมุตตะมังคลิกะกล่าวว่าท่านเอ๋ยแท้จริงขึ้นชื่อว่าหูย่อมได้ยินเสียงดีบ้างไม่ดีบ้างชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างผีดว่าเสียงที่ผู้นั้นได้ยินพึงเป็นมงคลไซก็จะเป็นมงคลทั้งหมดนะสิเพราะฉะนั้นเสียงที่ได้ยินจึงไม่เป็นมงคลก็แต่ว่าสิ่งที่ ท, ทราบแล้วต่างหากเป็นมงคล กลิ่นรถและโพดทพะสิ่งที่พึงถูกต้องชื่อว่ามุตตะอย่างไรเล่าคนบางคนลุกแต่เช้าสูดกลิ่นดอกไม้มีกลิ่นดอกปทุมเป็นต้นบ้างเขียวไม้สีฟันขาวบ้างจับต้องแผ่นดินบ้างจับต้องข้าวกล้าเขียวบ้างหมูนโคสดบ้างเต่าบ้างงาบ้างดอกไม้บ้างผลไม้บ้าง ชาบทาด้วยดินขาวโดวยชอบบ้างนั่งผ้าขาวบ้างโภกผ้าขาวบ้างก็หรือว่าสูดกลิ่นลิ้มรสหรือถูกต้องผดทัพะคือการสัมผัสถูกต้องทางกายที่สมมติว่าเป็นมงคลยิ่งอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นป่านนั้นสิ่งดังกล่าวมานี้เรียกว่ามุตตะมงคลบางพวกก็ยอมรับคำแม้ของเขาบางพวกก็ไม่ยอมรับ ในสามพวกนั้นทิฏฐิมังคลิกะบุรุษก็ไม่อาจทำให้สุตตะมังคลิกะบุรุษและมุตตามังคลิกะบุรุษยินยอมได้ทั้งสามฝ่ายนั้นฝ่ายหนึ่งก็ทาอีกสองฝ่ายให้ยินยอมไม่ได้บรรดามนุษย์เหล่านั้นพวกใดยอมรับคาของทิฏฐิมังคลิกะบุรุษพวกนั้นก็ถือว่ารูปที่เห็นแล้วเท่านั้นเป็นมงคล พวกใดยอมรับคําของสุตตะมังคลิกะบุรุษและมุตตมังคลิกาบุรุษพวกนั้นก็ถือว่าเสียงที่ได้ยินเท่านั้นเป็นมงคลสิ่งที่ได้ทราบเท่านั้นเป็นมงคลเรื่องมงคลลปัญหานี้ปรากฏไปทั่วชมพูทวีปด้วยประการชนนี้ครั้งนั้นมนุษย์ทั่วชมพูทวีปถือกันเป็นพวกพวกผากันคิดมงคลทั้งหลายว่า อะไรกันหนอเป็นมงคลอารัคกเทวดาของมนุษย์พวกนั้นฟังเรื่องนั้นแล้วก็พากันคิดมงคลทั้งหลายเหมือนกันเหล่าภูมะเทวดาเป็นมิตรของเทวดาเหล่านั้นฟังเรื่องจากอารัคกเทวดานั้นแล้วก็พากันคิดมงคลอย่างนั้นเหมือนกันอากาสันทกะเทวดาเป็นมิตรของเทวดาเหล่านั้นจะถูกมหาราชิกาเทวดา เป็นมิตรของอากาสันทกะเทวดาเหล่านั้นโดยอุบายนี้ตราบถึงอากานิทะเทวดาเป็นมิตรของสุทัศีเทวดาฟังเรื่องจากสุทัศีเทวดานั้นแล้วก็ถือกันเป็นพวกพวกผ่ากันคิดมงคลทั้งหลายด้วยอุบายอย่างนี้การคิดมงคลได้เกิดไปในที่ทุกแห่งจนถึงหมื่นจั ก, กรวาลก็การคิดมงคลเกิดขึ้นแล้ว แม้วินิจฉชยว่านี้เป็นมงคลแต่ก็ยังไม่เด็ดขาดจึงตั้งอยู่ถึงสิบสองปีทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาทั้งพรมหมบมดด้วยกันเว้นพระอริยาสาวกแตกเป็นสามพวกคือทิฏฐมังคลิกะสุตตะมังคลิกะและมูตะมังคลิกะแม้แต่พวกหนึ่งก็ตกลงตามเป็นจริงไม่ได้ว่านี้เท่านั้นเป็นมงคล มงคลโกลาหนการแตกตื่นเรื่องมงคลเกิดขึ้นแล้วในโลกขึ้นชื่อว่าโกลาหนมีห้าคือกัปปะโกลาหลนจักวติโกลาหนพุทธโกลาหลุนมงคลโกลาหนโมเนยะโกลาหลบนบรรดาโกลาหนทั้งห้านั้นเหล่าเทวดาชั้นกามาวจร ปล่อยศีรษะสยายผมร้องไห้เอาหัดเช็ดน้ำตานุ่งผ้าสีแดงทรงเพศแปลกๆอย่างยิ่งเที่ยวไปในถิ่นมนุษย์ร้องบอกกล่าวว่าล่วงไปแสนปีกับประจักษ์ปรากฏโลกนี้จะพินาศมหาสมุทรจะแห้งมหาปตพีนี้และขุนเขาสินเนรุจะถูกไฟไหม้จากพินาศโลกพินาศจะมีจนถึงพรห ม, มโลกดูก่อนท่านผู้นิรุุ ท่านทั้งหลายจงพากันเจริญเมตตาไว้เถิดจงพากันเจริญกรุณามุทิตาอุเบกขาไว้เถิดท่านผู้นีระทุกข์จงบำรุงมารดาบิดาจงยำเกรงท่านผู้เป็นผู้ใหญ่ในตระกูลตื่นกันเถิดอย่าได้ประมาทกันเลยนี้ชื่อว่ากับปะกุลาหนเทวดาชั้นกามาวาจร น, นั่นแหละ เที่ยวไปในถิ่นมนุษย์บอกกล่าวว่าล่วงไปร้อยปีพระเจ้าจั ก, กรพรรดิจะเกิดขึ้นในโลกนี้ชื่อว่าจั ก, กรวติโกลาหลส่วนเทวดาชั้นสุดท่าวาดประดับองค์ด้วยอาพรพรมโภคพาของพรมที่ประเสียรเกิดปิติปรามโมทกล่าวพระพุทธคุณเที่ยวไปในถิ่นมนุษย์บอกกล่าวว่าล่วงไปพันปีพระพุทธเจ้าจักอุบัติในโลก นี้มีชื่อว่าพุทธโกลาหนเทวดาชั้นสุดท่าวาานั่นแหละรู้จิตของพวกมนุษย์เที่ยวไปในถิ่นมนุษย์บอกกล่าวว่าล่วงไปสิบสองปีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสมงคลนี้ชื่อว่ามงคลโกลาหนเทวดาชั้นสุดท่าวาานั่นแหละเที่ยวไปในถิ่นมนุษย์บอกกล่าวว่า ล่วงไปเจ็ดปีภิกษุรูปหนึ่งสมาคมกับพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทุนถามโมเนยะปฏิปทานี้ชื่อว่าโมเนยะกลาหลบรรดากลาหนทั้งห้านี้มงคลกลาหนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วในโลกครั้งนั้นเมื่อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย หากันเลือกเฟ้นก็ยังไม่ได้มงคลทั้งหลายล่วงไปสิบสองปีเทวด า, าชั้นดาวดึงคบหาสมาคมกันก็ช่วยกันคิดอย่างนี้ว่าเจ้าของเรือนก็เป็นหัวหน้าของตนภายในเรือนเจ้าของหมู่บ้านก็เป็นหัวหน้าของชาวหมู่บ้านพระราชาก็เป็นหัวหน้าของมนุษย์ทั้งหลายเท้าสักกะจอมถวยเทพพระองค์นี้ก็เป็นผู้เลิศประเสริฐสุดของพวกเรา คือเป็นอธิบดีของเทวโลกทั้งสองได้แก่ชั้นจาตุมหาราชและดาวดึงด้วยบุญเดชอิสริยะปัญญาถ้ากะไรเราจะพึงพากันไปทูลถามความข้อนี้กับเท้าสักกะจอมถวยเทพเถิดเทวดาเหล่านั้นก็พากันไปยังสำนักเท้าสักกะถวายบังคมจอมถวยเทพซึ่งมีพระสรีระมีสิริด้วยอาพรประจาพระองค์ เหมาะแก่ขณะนั้นมีหมู่อับษรสองร้อยห้าสิบโกรธห้อมล้อมประทับนั่งเหนือบรรทุกกรรมพลศิลาอาจอันประเสริฐภายใต้ต้นปาริชัตตกะแล้วยืนหน้าที่สมควรส่วนหนึ่งทูลว่าขอประธานพระวโรกาสพระองค์ผู้นิรุกุกโปรดทรงทราบเถิดบัดนี้มงคลละปัญหาตั้งขึ้นแล้วพวกหนึ่งกล่าวว่ารูปที่เห็นเป็นมงคล พวกหนึ่งกล่าวว่าเสียงที่ได้ยินเป็นมงคลพวกหนึ่งกล่าวว่าสิ่งที่ทราบแล้วเป็นมงคลบรรดาท่านเหล่านั้นพวก่าพระบาทและพวกอื่นยังไม่ได้ข้อยุติสาธุขอพระองค์โปรดทรงพยากรณ์ตามเป็นจริงแก่พวก่าพระบาทด้วยเถิดจึงตรัสว่าเรื่องมงคล น, นี้เกิดขึ้นที่ไหนก่อนเล่าทูลว่าฆ่าแต่เทวราช พวกข้าพระบาทฟังคำของพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชต่อจากนั้นพวกเทวดาจ่าตุมหาราชก็ฟังคำของพวกอากาศสันธะเทวดาพวกอากาศสันธะเทวดาฟังคำของพวกภุมมเทวดาพวกภุมมเทวดาฟังคำของเทวดาผู้รักษามนุษย์พวกเทวดาผู้รักษามนุษย์กล่าวว่าเรื่องมงคลเกิดขึ้นในมนุษยาโลก ลำดับนั้นเท้าสักกะจอมถวยเทพตรัสถามเทวดาเหล่านั้นว่าพระสมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนเทวดาทั้งหลายทูลว่าประทับอยู่ในมนุษยะโลกพระเจ้าค่ะตรัสถามว่าใครได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแลหรือยังทูลว่ายังไม่มีใครเลยพระเจ้าค่ะตรัสว่าดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ทําไมหนอ ท่านทั้งหลายจึงมาทิ้งดวงไฟแล้วมาตามไฟต่อจากแสงหิ่งห้อยด้วยเหตุไรท่านทั้งหลายจึงมาล่วงเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงแสดงมงคลไว้ไม่เหลือเสีเล่าอย่างเข้าใจว่าควรจะได้ถามเรามาเถอะท่านผู้นิรุตุกทั้งหลายเราจะทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพวกเราคงจกได้การพยากรณ์ปัญหาอันมีสิริแน่แท้ จึงมีเทวองค์การใช้เทพบุตรองค์หนึ่งว่าท่านจงไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดเทพบุตรองค์นั้นแต่งองค์ด้วยเครื่องอลังการอันเหมาะแก่ขณะนั้นรุงโถ ด, ดุดสายฟ้าแลบมีหมู่เทพแวดล้อมไปยังพระเจดวันมหาวิหารถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยืนณที่สมควรส่วนหนึ่งเมื่อทูลถามมงคลและปัญหา จึงกล่าวเป็นคาถาว่าพระหูเทวามนุษย์สาจะเป็นต้นนี้เป็นมูลเหตุเกิดมงคลละปัญหาพันนาคาถาว่าพระหูเทวาบัด น, นี้จะพันนาความแห่งบทคาถาสับว่าพระหูแสดงจำนวนไม่แน่นอน ด้วยเหตุนั้นท่านจึงอธิบายว่าหลายร้อยหลายพันหลายแสนชื่อว่าเทวะเพราะเล่นอธิบายว่าเล่นกับการมคุณห้าหรือโชดช่วงด้วยสิริของตนอีกในยะหนึ่งบทว่าเทวาได้แก่เทพทั้งสามคือสมมุติเทพอุปปฏิเทพและวิสุทธิเทพ เหมือนอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าบทว่าเทวาได้แก่เทพสามคือสมมุติเทพอุปติเทพวิสุทธิเทพบรรดาเทพทั้งสามนั้นพระราชาพระราชเทวีพระราชกุมารชื่อว่าสมมุติเทพเทพตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชิกาและสูงขึ้นไปกว่านั้นชื่อว่าอุปติเทพท่านที่เรียกกันว่าพระอระหรันต ชื่อว่าวิสุทธิเทพในเทพทั้งสามนั้นในสูตรนี้ท่านประสงค์เอาอุปติเทพชื่อว่ามนุษย์เพราะเป็นเหล่ากอของพระมนูแต่โบราณอาจารย์กล่าวว่าชื่อว่ามนุษย์เพราะเป็นผู้มีใจสูงมนุษย์เหล่านั้นมีสี่คือชาวชมพูทวีปชาวอปราคโคยานทวีปชาวอุตรากุรุทวีป ชาปุกพระวิเทหะทวีปในสูตรนี้ท่านประสงค์เอามนุษย์ชาวชมพูทวีปชื่อว่ามงคลเพราะสัตว์เจริญรุ่งเรืองด้วยคุณเหล่านั้นอธิบายว่าสัตว์ถึงความสำเร็จและความเจริญบทว่าอาจินตยุงแปลว่าคิดกันแล้วบทว่า อากังขมานาได้แก่ประสงค์ปรารถนาคระยิมบทว่าโสดถานังแปลว่าความสวัสดีท่านอธิบายว่าความที่ธรรมะทั้งหลายอันเป็นไปในปัจจุบันและภายภาคหน้าทุกอย่างสวยดีงามบทว่าพ ร, รุูหิได้แก่แสดงประกาศบอกเปิดเผยจำแนกทำให้ง่าย บทว่ามังคลังได้แก่เหตุแห่งความสําเร็จเหตุแห่งความเจริญเหตุแห่งสมบัติทุกอย่างบทว่าอุตตมังได้แก่วิเศษประเสริฐนําประโยชน์สุขมาให้โลกทั้งปวงดังกล่าวมานี้เป็นการพนานาตามลําดับบทแห่งคาถาทั้งหลายส่วนความรวมมีดังนี้ เทพบุตรนั้นแลเห็นเทวดาในหมื่นจักรวาลจุมนุมกันในจักรวาล น, นี้เพราะอยากจะฟังมงคลละปัญหาพากันเนรมิตอัตภาพอันละเอียดสิบบ้างยี่สิบบ้างส0 4สิบสี่จนถึง8ปสิบบ้างขนาดโอกาสคือที่เกิดเท่าปลายคนทายขนหนึ่งยืนห้อมล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งประทับนั่งเหนือพุทธอาฏอันประเสริฐที่จัดไว เปล่งพระราษมีครอบงามเทวดามารพรมทั้งหมดด้วยพระสิริและพระเดชและอย่างรูป ร, ริวิตกแห่งใจของเหล่ามนุษย์ชาวชมพูทวีปที่ไม่ได้มาประชุมในสมัยนั้นด้วยใจตนเองกล่าวคาถาเพื่อถอนลูกสอนคือความสงสัยของเทวดาและมนุษย์ทั้งปวงว่าเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากปรารถนาความสวัสดีจึงพากันคิดมงคลทั้งหลาย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 พันนาคถาว่าอาเสวนาจะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสัตคํคำของเทพบุตรนั้นอย่างนี้แล้วจึงตรัสพระคถาว่าอาเสวนาจะภาลานังเป็นต้นในพระคถานั้นบดว่าอาเสวนาได้แก่การไม่ครบไม่เข้าไปใกล้ บทว่าภาลานังความว่าชื่อว่าพานเพราะเป็นอยู่หายใจได้อธิบายว่าเป็นอยู่โดยเพียงหายใจเข้าหายใจออกไม่เป็นอยู่ด้วยความเป็นอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพานเหล่านั้นบทว่าปันทิตานังความว่าชื่อว่าบัณฑิตเพราะดำเนินไปอธิบายว่าดำเนินไปด้วยคติ คือความรู้ในประโยชน์ที่เป็นปัจจุบันและภายภาคหน้าซึ่งบัณฑิตเหล่านั้นบทว่าเสวนาได้แก่การคบการเข้าใกล้ความมีบัณฑิตนั้นเป็นสหายมีบัณฑิตนั้นเป็นเพื่อนความพรักพร้อมด้วยบัณฑิตนั้นบทว่าปูชาได้แก่การสักการะเคารพนับถือกราบไหว้ บทว่าบูชเนอยานังแปลว่าผู้ควรบูชาบทว่าเอตัมมังคามุตตมังความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประมวลการไม่คบผ่านหนึ่งการครบบัณฑิตหนึ่งการบูชาผู้ที่ควรบูชาหนึ่งทั้งหมดจึงตรัสว่าเอตัมมังคามุตตมังท่านอธิบายว่า คำใดท่านถามว่าโปรดตรัสบอกมงคลอันอุดมเถิดท่านจงถือคำนั้นว่ามงคลอันอุดมในข้อนั้นก่อนนี้เป็นการพัฒนาบทแห่งคาานี้ส่วนการพัฒนาความแห่งบทนั้นพึงทราบดังนี้พระผูมีพระภาคเจ้าทรงสดับคำของเทพบุตรนั้นอย่างนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่า อเสวนาจะพาลานังเป็นต้นในคถานั้นคาถามีสี่คือปุจจิตาคาถาอปุจิตาคาถาสานุสันติกะคถาอนานุสันติกะคาถาบรรดาคถาทั้งสี่นั้นคถาที่ทรงถูกผู้ถามถามแล้วจึงตรัดชื่อว่าปุจจิตะคถาได้ในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่าอุจชามิ ตังโคตมะผู้ริปัญญากระถังกโรสาวโกสาทุโหติท่านพระโคโดมผู้มีปัญญากว้างขวางดังแผ่นดินข้าพเจ้าขอถามท่านสาวกทำอย่างไรจึงเป็นคนดีและประโยคว่ากถังนุตวังมาริสะโอคามาตรุริท่านผู้นิรทุกข์ท่านข้ามโอคะอย่างไรเล่าหนอ คาถาที่พระองค์ไม่ได้ถูกถามแต่ตรัสโดยพระอัธยาศัยของพระองค์เองชื่อว่าอาปุจจิตาคาถาได้ในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่ายังปเปเรสุคโตอาหุตทริยาอาหุทุคโตคนอื่นๆกล่าวสิ่งใดว่าเป็นสุขพระอริยะทั้งหลายกล่าวสิ่งนั้นว่าเป็นทุกข์คาถาของพระพุทธะทั้งหลายแม้ทั้งหมด ชื่อว่าสานุสันติกาคาถาเพราะบาลีว่าสนิทาหังพิกเวทธรรมังเทเสสะมิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมมีนิทานคือเหตุดังนี้ที่ชื่อว่าอ น, นัสุสันติกาคาถาคาถาไม่มีเหตุไม่มีในศาสนานี้ก็บรรดาคถ า, าเหล่านี้ดังกล่าวมานี้ คาถานี้ชื่อว่าปุจิตาคาถาเพราะเป็นคาถาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าถูกเทพบุตรทูลถามแล้วจึงตรัสตอบก็คาถานี้บอกคนที่ไม่ควรครบในคนที่ควรครบและไม่ควรครบแล้วจึงบอกคนที่ควรครบเปรียบเหมือนบุรุษผู้ฉลาดรู้จักทางรู้จักทั้งที่ไม่ใช่ทางถูกถามอีกทางจึงบอกทางที่ควรเล่าเว้นเสียก่อน แล้วภายหลังจึงบอกทางที่ควรยึดถือไว้ว่าในที่ตรงโน้นมีทางสองแพร่งในทางสองแพร่งนั้นพวกท่านจงละเว้นทางซ้ายซสแล้วยึดถือเอาทางขวาฉะนั้นก็พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสเสมือนบุรุษผู้ฉลาดในทางอย่างที่ตรัสไว้ว่าดูก่อนติดสักคำว่าบุรุษผู้ฉลาดในทางนี้ เป็นชื่อของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงอยู่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นฉลาดรู้โลกนี้ฉลาดรู้โลกอื่นฉลาดรู้ถิ่นมัจจุฉลาดรู้ทั้งถิ่นไม่ใช่มัจจุฉลาดรู้บ่วงมานฉลาดรู้ทั้งไม่ใช่บ่วงมานเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อตรัส บ, บอกถึงบุคคลที่ไม่ควรครบก่อนจึงตรัสว่าการไม่คบพานการครบบัณฑิตความจริงคนพานทั้งหลายไม่ควรครบไม่ควรเข้าใกล้เหมือนทางที่ควรละเว้นแต่นั้นก็ควรครบควรเข้าใกล้แต่บัณฑิตเหมือนทางที่ควรยึดถือไว้ผู้ทักท้วงกล่าวว่าก็เพราะเหตุไร พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อตรัสมงคลจึงตรัสการไม่คบผานและการครบบัณฑิตก่อนข้อชี้แจงดังนี้เพราะเหตุที่พวกเทวดาและมนุษย์ยึดความเห็นว่ามงคลในสิ่งที่เห็นแล้วเป็นต้นนี้ด้วยการครบผานทั้งการครบผานนั้นก็ไม่เป็นมงคลฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อทรงติดเตืยนการสมคบกับคนที่ไม่ใช่กัลยาณมิตรซึ่งหักลานประโยชน์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าและสรงสรรเสริญการสมาคมกับกัลยาณมิตรซึ่งให้สำเร็จประโยชน์ในโลกทั้งสองจึงตรัสการไม่คบพานและการครบบัณฑิตก่อนแก่เทวดาและมนุษย์เหล่านั้นสัตว์ทั้งหลายทุกประเภทผู้ประกอบด้วยอกุศุลกรรมบทมีปานาติบาตเป็นต้น ชื่อว่า่านในจำนวนพานและบัณฑิตนั้น่านเหล่านั้นจะรู้ได้ก็ด้วยอาการทั้งสามเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้พระสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย่านลักษณะของพานสามเหล่านี้เป็นต้นอันหนึ่งครูทั้งหกคือเจ้าลทัทธิทั้งหกในสมัยพุทธกาลนั้น มีปุรณากสปะเป็นต้นและสัตว์อื่นๆเห็นปา น, นั้นเหล่านี้คือเทวทัตโกกาลิกะกะตะมทุท ก, กะติดสะขันทาเทวีบุตรสมุททัตตะนางจินจมานาวิกาเป็นต้นและพี่ชายของทีฆาวิทาครั้งอดีตพึงทราบว่าพานพานเหล่านั้นย่อมอย่างตนเองและเหล่าคนที่ทำตามคำของตน ให้พี่นาด้วยทิฏฐิขตะความเห็นที่ตนถือไว้ไม่ดีดังเรือนที่ถูกไฟไหมเหมือนพี่ชายของจิกาวิทะล้มล ง, ล ง, ลงนอนหงายด้วยอัตภาพประมาณหกสิบโยชมกไหมอยู่ในมหานรกอยู่ถึงสี่พุทธันดรและเหมือนตระกูลห้ารอยตระกูลที่ชอบใจทิฏฐิความเห็นของพี่ชายของจิกาวิทะนั้น เข้าอยู่ร่วมเป็นสหายของพี่ชายของทีฆะวิทะนั่นแหลหมกไม้อยู่ในมหานรกฉะนั้นสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายไฟลามจากเรือนไม้อ้อหรือเรือนหญ้าย่อมไหม้แม้เรือนยอดซึ่งฉาบไว้ทั้งข้างนอกข้างในกันลมได้ลงกรอนสนิทปิดหน้าต่างไว้เปรียบฉันใด ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภัยทุกชนิดย่อมเกิดเปรียบฉันนั้นเหมือนกันภัยเหล่านั้นทั้งหมดเกิดจากพานไม่เกิดจากบัณฑิตอุปัทวาทุกอย่างย่อมเกิดอุปสรกด์ทุกอย่างย่อมเกิดเกิดจากพานไม่เกิดจากบัณฑิตดูก่อนภิกษุทั้งหลายดังนั้นแลพานเป็นภัยบัณฑิตไม่เป็นภัยพานอุบาท บัณฑิตไม่อุบาท่านเป็นอุปสรรคบัณฑิตไม่เป็นอุปสรรคดังนี้อันหนึ่งผ่านเหมือนปลาเน่าผู้คบผ่านนั้นก็เสมือนห่อด้วยใบไม้ที่ห่อปลาเน่าย่อมประสบภาวะที่วินอยู่ชนทอดทิ้งและรังเกียจสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า นรชนผู้ใดผูกปลาเน่าด้วยปลายยาคาแม้ยาคาของนรชนผู้นั้นก็มีกลิ่นเน่าฟุ้งไปด้วยการคบพานก็เป็นอย่างนั้นอันหนึ่งเล่าเมื่อเท้าสกกะจอมถวยเทพประทานพรแ ก, อก่อากิติบัณฑิตอากิติบัณฑิตก็กล่าวอย่างนี้ว่าไม่ควรพบพานไม่ควรฟังไม่ควรอยู่ร่วมกับพาน ไม่พึงทําการเจราจาปราศัยกับพานและไม่ควรชอบใจเท้าสักกะตรัสว่าท่านกัสปะทําไมหนอพานจึงไม่เชื่อท่านโปรดบอกเหตุมาสิเพราะเหตุไรท่านจึงไม่อยากเห็นพานนะ่ะท่านกัสปะหมายเหตุในพระไตรปิฎกนั้นจะมีการเรียกชื่อโคดหรือตระกูลและชื่อจริงบางครั้งก็เป็นสมญานาม เป็นชื่อที่เรียกกันในประโยคคำพูดและประโยคบอกเล่าต่างกันนะครับดังนั้นหลายตอนผู้ฟังอาจจะงงได้ว่าพูดถึงคนหนึ่งแต่อีกประโยคพูดถึงอีกชื่อหนึ่งก็โปรดทาความเข้าใจด้วยนะครับอคติบัดิต ต, ตอบว่าคนปัญญาสามยอมแนะนำข้อที่มีควรแนะนำยอมประกอบคนไว้ในกิจที่ไม่ใช่ทุระ การแนะนำเขาก็แสนยากเพราะเขาถูกว่ากล่าวโดยดีก็โกรธผา น, นั้นไม่รู้จักวินัยการไม่เห็นเขาเสียได้ก็เป็นการดีเพราะผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงติเตียนการครบผานโดยอาการทั้งปวงอย่างนี้จึงตรัสว่าการไม่คบผานเป็นมงคลบัดนี้เมื่อทรงสันเสริญการครบบัณฑิตจึงตรัสว่า การคบบัณฑิตเป็นมงคลสัตว์ทุกประเภทผู้ประกอบด้วยคุศลักรรมบทสิบมีเจตนางดเว้นปานาติบาตเป็นต้นชื่อว่าบัณฑิตในชมพวก่าและบัณฑิตนั้นบัณฑิตเหล่านั้นจะพึงรู้ได้ก็โดยอาการทั้งสามเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัณฑิตลักษณะของบัณฑิต สามเหล่านี้เป็นต้นอันหนึง่งพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอสีติมหาสาวกพระสาวกอื่นของพระตถาคตและบัณฑิตมีสุนเนตสาสดามหาโควินทสสาสดาพระวิทูรบัณฑิตสรพังคดาบทพระมโหสถสุตตะโสมาบัณฑิตพระเจ้านิมิราชอยายุขรักุมาร และอกิติบัณฑิตเป็นต้นพึงทราบว่าบัณฑิตบัณฑิตเหล่านั้นเป็นผู้สามารถกําจัดภัยอุปัตวะและอุปสรรคได้ทุกอย่างแก่พวกที่ทําตามคําของตนประหนึ่งป้องกันได้ในเวลามีภัยประหนึ่งดวงประทีปในเวลามืดประหนึ่งได้ข้าวน้ําเป็นต้นในเวลาถูกทุกมีหิวระหายเป็นต้นครอบงำ จริงอย่างนั้นอาศัยพระตถาคตพวกเทวดาและมนุษย์นับไม่ถ้วนประมาณไม่ได้พากันบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะดำรงอยู่ในพรหมโลกดำรงอยู่ในเทวโลกเกิดในสุขติโลกตระกูล8 0ด0มืนตระกูลทำจิตให้เลื่อมใสในพระสารีบุตรเทระและบำรุงพระเทระด้วยปัจจัยสี่ก็บังเกิดในสวรรค์ ประคุทั้งหลายทำจิตให้เลื่อมใสในพระมหาสาวกทั้งปวงนับตั้งแต่พระมหาโมคคลานะพระมหากสปะเป็นต้นไปก็อย่างนั้นเหมือนกันสาวกทั้งหลายของสุเนตัสสดาบางพวกก็เกิดในพระมโลกบางพวกก็เข้าเป็นสหายของเหล่าเทพชั้นปรานิมิตาสาวตีบางพวกก็เข้าเป็นสหายของเข้าฤหบดีมหาสาร แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสไว้ดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่มีภัยแต่บัณฑิตไม่มีอุปัทวะแต่บัณฑิตไม่มีอุปสรรค์แต่บัณฑิตอันหนึ่งบัณฑิตเสมือนของหอ ม, มีกฤษ่นาและดอกไม้เป็นต้นคนผู้คบบัณฑิตก็เสมือนหอด้วยใบไม้ที่หอของหอมมีกฤษ่นาและดอกไม้เป็นต้นยังประสบภาวะ ที่วินยูชนชมเชยและพอใจแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสไว้ดังนี้ว่านรชนผู้ใดหอกฤิศนาไว้ด้วยใบไม้แม้ใบไม้ของนรชนผู้นั้นก็ส่งกลิ่นหอมฟุง้งการคบบัณฑิตก็เหมือนอย่างนั้นอันหนึ่งเล่าเมื่อทาสักกะจอมถวยเทพประทานพรแกอากิตติบัณฑิต อกิติบัณฑิตก็กล่าวว่าควรพบบัณฑิตควรฟังบัณฑิตควรอยู่ร่วมกับบัณฑิตควรทำการสนทนาปราัยกับบัณฑิตและควรชอบใจบัณฑิตนั้นท้าสักกะจอมทวยเทพตรถามว่าท่านกสัส ป, ปะทําไมหนอบัณฑิตจึงไม่ทําต่อท่านโปรดบอกเหตุมาสิเพราะเหตุไรหนอท่านจึงอยากพบบัณฑิตนะท่านกสัส ป, ปะ อติกิบัณดิตตอบว่าบัณดิตยอมแนะนำเรื่องที่ควรแนะนำไม่จูงคนไปในกิจไม่ใช่ธุระแนะนำเขาก็ง่ายดีเพราะเขาถูกว่ากล่าวโดยดีก็ไม่โกรธบัณดิตนั้นรู้วินัยสมาคมกับบัณดิตนั้นได้เป็นการดีพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงสรรเสริญการคบบัณดิตโดยธรรมะทั้งปวงอย่างนี้จึงตรัสว่า การครบบันดิตเป็นมงคลบัดนี้เมื่อจะส่งสรรเสริญการบูชาบุคคลผู้เข้าถึงความเป็นผู้ควรบูชาโดยลำดับด้วยการไม่คบพานและการครบบันดิตนั้นจึงตรัสว่าปูชาจะปูชเนยายานังมังคลังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคล พระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าชื่อว่าปูชนียะเพราะทรงเว้นจากโทษทุกอย่างและเพราะทรงประกอบด้วยคุณทุกอย่างและภายหลังจากนั้นก็พระปัจเจกพุทธเจ้าพระอริยส า, าวกทั้งหลายชื่อว่าปูชนียะจริงอยู่การบูชาปูชนียบุคคลเหล่านั้นแม้เล็กน้อยก็เป็นประโยชน์สุขตลอดกาลยาวนาน ในข้อนี้มีเรื่องนายสุมวลมาลาการและนางมาลิกาเป็นต้นเป็นตัวอย่างในสองเรื่องนั้นจะกล่าวแต่เรื่องเดียวพอเป็นตัวอย่างความว่าเช้าวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอันตราวาสกและทรงถือบาดจีวรเสด็จเข้าไปบินธบาีอย่างกรุงราชฤก์ขณะนั้นนายช่างดอกไม้ชื่อสุ ม, มนมาลาการ กำลังเดินถือดอกไม้สำหรับพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงประตูกรุงห่องใสหน้าเรือมใสประดับด้วยพระมหาภุริสลักษณะ32สองประการและพระอนุพยัญชนะ8ปสิบประการรุ่งเรืองด้วยพระพุทธสิริครั้นเห็นแล้วเขาก็คิดว่าพระราชาสงรับดอกไม้แล้วก็จะพึงประทานทรัพย์ร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่ง ก็อันนั้นก็จะพึงเป็นความสุขเพียงโลกนี้เท่านั้นแต่การบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมจะมีผลประมาณไม่ได้นับไม่ถ้วนนำประโยชน์สุขมาให้ตลอดการยาวนานเอาเถอะจำเราจะบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดอกไม้เหล่านี้ดังนี้เขามีจิตเลื่อมใสจับดอกไม้กาหนึ่ง เวียงไปเฉพาะพระภาคพระผู้มีพระภาคเจ้าดอกไม้ทั้งหลายไปในอากาศประดิษฐานเป็นเพดานดอกไม้อยู่เหนือพระผู้มีพระภาคเจ้าในมาลาการเห็นอนุภาพนั้นก็มีจิตเลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นจึงเวียงดอกไม้ไปอีกกรรมหนึ่งแม้ดอกไม้เหล่านั้นก็ไปประดิษฐานเป็นเกราะดอกไม้ในมาลาการเวียงดอกไม้ไปแปดกรรมอย่างนี้ ดอกไม้เหล่านั้นก็ไปประดิษฐานเป็นเรือนยอดดอกไม้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในเรือนยอดมหาชนก็ชุมนุมกันพระผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรเห็นนายมาลาการก็ทรงทำอาการแย้มให้ปรากฏพระอานนทเทระก็ทูลถามถึงเหตุที่ ท, ทรงแย้มด้วยคิดว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย จะไม่ส่งแย้มให้ปรากฏพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอานนท์ในมาราการผู้นี้จากท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์แสนกลับโดยอนุภาพของการบูชานี้แล้วในที่สุดก็จกเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าสุมาณิสระตรัสจบก็ได้ตรัสพระคาถานี้เพื่อทรงแสดงธรรมว่า บุคคลทำกรรมใดแล้วไม่เดือดร้อนภายหลังบุคคลใจดีเอิบอิ่มแล้วสวยผลของกรรมใดกรรมนั้นทำแล้วดีจบคถาสัตว์แปด0มสี่พันได้บรรลุธรรมการบูชาปูชนียบุคคลเหล่านั้นแม้เล็กน้อยพึงทราบว่ามีประโยชน์สุขตลอดการยาวนานด้วยประการชนนี้ ก็การบูชานั้นเป็นอมิสบูชาจะป่วยกล่าไปยัในปฏบิบัติบูชาเพราะกุลบุตรเล่าใดบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการรับสาระคมและศิกขาบทด้วยการสมท า, านองค์อุโบสถและด้วยคุณทั้งหลายของตนมีปาริสุทธิ์ที่ศีลสีส่เป็นต้นใครเล่าจากพันนาผลแห่งการบูชาของกุลบุตรเล่านั้นได้ ด้วยว่ากุลบุตรเหล่านั้นท่านกล่าวว่าบูชาพระตถาคตด้วยการบูชาอย่างยอดเยี่ยมเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนอานนทผู้ใดแลไม่ว่าเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิ ก, กาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งประพฤติตามธรรมผู้นั้น ชื่อว่าสักการะเคารพนับถือบูชายำเกรงนอบน้อมตถาคตด้วยการบูชาอย่างยอดเยี่ยมความที่การบูชาแม้พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอริยส า, าวกนำมาซึ่งประโยชน์สุขพึงทราบตามแนวนี้อันหนึ่งสำหรับข้ารือหัดพึงทราบปูชนี ย, ยบุคคลในข้อนี้อย่างนี้ คือผู้เจริญที่สุดทั้งพี่ชายทั้งพี่สาวชื่อว่าปูชนฉยยบุคคลของน้องมารดาบิดาเป็นปูชเฉยบุคคลของบุตรสามีพ่อผัวแม่ผัวเป็นปูชนฉยบุคคลของกุลสตรีทั้งหลายด้วยว่าการบูชาปูชนฉยบุคคลแม้เหล่านั้นเป็นมงคลทั้งนั้นเพราะนับว่าเป็นกุศลธรรม และเพราะเป็นเหตุเจริญอายุเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระพุทธดำรัสไว้ดังนี้ว่าชนเหล่านั้นจะเป็นผู้เกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพราหมณ์เป็นผู้นอบน้อมผู้ใหญ่ในสกุลยังจักถือกุศลธรรมนี้ปฏิบัติก็จักเจริญทั้งอายุจักเจริญทั้งวันนะ เพราะเหตุสมาทานกุศลธรรมเหล่านี้เป็นต้นบัดนี้เพราะเหตุที่ข้าพเจ้าตั้งมาติกาหัวข้อไว้ว่ากล่าวสมุดฐานเป็นที่เกิดมงคลแล้วกำหนดมงคลนั้นจะชี้แจงความของมงคลนั้นฉะ น, นั้นจึงขอชี้แจงดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสมงคลแห่งคาถานี้ไว้สามงคล คือการไม่คบพานการครบบัณฑิตและการบูชาผู้ที่ควรบูชาด้วยประการชนนี้ในมงคลทั้งสามนั้นพึงทราบว่าการไม่คบพานชื่อว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งประโยชน์ของโลกทั้งสองเหตุป้องกันภัยมีภัยเกิดแต่คบพานเป็นปัจจัยเป็นต้นการครบบัณฑิต และการบูชาผู้ที่ควรบูชาชื่อว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งนิพพานและสุขติโดยนัยยะที่กล่าวไว้แล้วในการพนน า, นาความเพิ่มพูนแห่งผลของการคบบัณฑิตและการบูชาผู้ที่ควรบูชานั้นนั่นแหลแต่ข้าพเจ้าจักยังไม่แสดงหัวข้อต่อจากนี้ไปจากกำหนดข้อที่เป็นมงคลอย่างนี้จึงจักชี้แจงความที่ข้อนั้นเป็นมงคล จบพันณ า, นาความแห่งคถานี่ว่าอาเสวนาจะพาลานังพันณาคถาว่าปฏิรูปรเทสวาโสจักพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ถูกเทพบุตรของมงคลอย่างเดียวว่าพระรูมังคลมุตตะมัง เขาได้โปรดตรัสบอกมงคลอันอุดมแต่ก็ตรัสถึงสามงคลด้วยคถาเดียวเปรียบเหมือนบุรุษใจกว้างถูกขอแต่น้อยแต่ก็ให้มากยิ่งไปกว่านั้นยังทรงเริ่มที่จะตรัสมงคลอีกเป็นอันมากด้วยคถาทั้งหลายมีว่าปาติรูปประเทศสวะโสจะเป็นต้นก็เพราะเทวดาทั้งหลายอยากฟังเพราะมงคลทั้งหลายมีอยู่ และเพราะมงคลใดๆอนุกูลแก่สัตว์ใดๆทรงมีพุทธประสงค์จะทรงประกอบสัตว์นั้นๆไว้ในมงคลนั้นๆบรรดาคถาเหล่านั้นจะกล่าวในคถาแรกก่อนบทว่าปฏิรูปโปแปลว่าสมควรโอกาสเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายทุกแห่งไม่ว่าเป็นคามะก็ดี นิคมก็ดีนครก็ดีชนบทก็ดีชื่อว่าเทศะการอยู่อาศัยในเทศานั้นชื่อว่าวาสะบทว่าปุปเพแปลว่าแต่ก่อนคือในชาติที่ล่วงมาแล้วความเป็นผู้มีกุศลอันสังสมแล้วชื่อว่าความเป็นผู้มีบุญอันทำไว้แล้ว จิตหรืออัตภาพทั้งสิ้นเรียกว่าอัตตะการประกอบไว้คือการตั้งความปรารถนาของตนไว้ชอบท่านอธิบายว่าการตั้งตนโดยชอบชื่อว่าสัมมาปณิธิการตั้งไว้ชอบคำนอกนั้นมีนวยะที่กล่าวไว้แล้วทั้งนั้นนี้เป็นการพันานาบทในคาถาแรกนั้น ส่วนการพนานาความพึงทราบดังนี้ในประเทศใดบริษัทสี่อย่างจ่าฤกษ์อยู่อย่างบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุมีทานเป็นต้นอยู่ณวังกษัตริย์ศาสตร์อย่างรุ่งเรืองอยู่ประเทศนั้นชื่อว่าปฏิรูปประเทศะหรือปฏิรูปประเทศการอยู่อาศัยในปฏิรูประเทศนั้นตรัสว่าเป็นมงคล เพราะเป็นปัจจัยแก่การทำบุญของสัตว์ทั้งหลายในข้อนี้มีชาวประมงที่เข้าไปยังเกาะสิงห์นเป็นต้นเป็นตัวอย่างอีกในยะหนึ่งประเทศเป็นที่ตรัสรู้พระโพธิญาณที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเรียกโพธิมันทสสถานประเทศที่ทรงประกาศพระธรรมจักรประเทศ คือโคนต้นมะม่วงของนายคันทะที่ทรงแสดงย ม, มกะปฏิหารทำลายความเมาของพวกเดือดรถีทั้งปวงทำกลางบริษัทประมาณสิบสองโยชนประเทศที่เสด็จลงจากเทวโลกก็หรือประเทศอื่นใดอันเป็นที่ประทับอยู่ของพระพุทธเจ้ามีกรุงสาวัตถีกรุงราชฤรึ์เป็นต้นประเทศนั้นชื่อว่าปฏิรูประเทศ การอยู่อาศัยในปฏิรูปประเทศนั้นตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นปัจจัยแก่การได้อนุตริยาหกของสัตว์ทั้งหลายอีกนัยยะหนึ่งทิศบูรพาตั้งแต่กระชังคละนิคมลงมาถึงมหาศาลารอบนอกเป็นปัจจันติมชชนบทรอบในเป็นมชมชนบททิศอาคาเนตั้งแต่แม่น้ำสัลลวะตีลงมา รอบนอกเป็นปัจจันติมชนบทรอบในเป็นมชิมชนบททิศทักเหนือตั้งแต่เซตกการนิกะนิคมลงมารอบนอกเป็นปัจจันติมชนบทรอบในเป็นมชิมชนบททิศตะวันตกตั้งแต่ถูนะตำบลบ้านพรามลงมารอบนอกเป็นปัญจันติมชนบทรอบในเป็นมชิมชนบททิศอุดรตั้งแต่ภูเขาอุศีรัตช้าลงมา รอบนอกเป็นปัญจติมชนบทรอบในเป็นมัชิมชนบทนี้เป็นมัชิมะประเทศยาวสามร้อยโยศกว้างสองยห้าสิบโยศโดยรอบเก้าร้อยโยศมัชิมะประเทศนี้ชื่อว่าปฏิรูประเทศพระเจ้าจากักรพรรดิทั้งหลายผู้ครองอิสริยาธิปัดแห่งทวีปใหญ่ทั้งสี่ทวีปทวีปน้อยสองพันทวีป ย่อมเกิดในปฏิรูปประเทศนั้นพระมหาสาวกทั้งหลายมีพระสารีบุตรและพระโมกัลานเป็นต้นบัมเพญบารมีมาหนึ่งอสงไขยกับแสนกลับก็เกิดในปฏิรูปประเทศนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายบัมเพญบารมีมาสองอสงไขยกับแสนกลับก็เกิดในปฏิรูปประเทศนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย บำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยกับแสนกลับบ้างแปดอสงไขยกับแสนกลับบ้างสิบหกอสงไขยกับแสนกลับบ้างก็เสด็จอุบัติในปฏิรูปประเทศนั้นบรรดาท่านเหล่านั้นสัตว์ทั้งหลายรับโอวาทของพระเจ้าจักรพรรดิตั้งอยู่ในศีลห้าแล้วก็มีสวรรค์เป็นเบื้องหน้าตั้งอยู่ในโอวาทของพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เหมือนกัน ส่วนสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโอวาทของพระพุทธเจ้าของสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมมีสวรรค์เป็นเบือเเบ้องหน้ามีพระนิพพานเป็นเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นการอยู่ในปฏิรู ป, ประเทศนั้นจึงตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นปัจจัยแห่งสมบัติเหล่านี้ความเป็นผู้ปรารบพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระคีนาศพ สร้างสมกุศลไว้ในชาติที่ล่วงมาแล้วชื่อว่าความเป็นผู้ทาบุญไว้ในก่อนแม้ความเป็นผู้ทาบุญไว้ในก่อนนั้นก็เป็นมงคลเพราะเหตุไรเพราะท่านอธิบายว่าความเป็นผู้ทาบุญไว้ในก่อนยอมให้บรรลุพระอระหัสตเมื่อจบคาถาแม่สี่บทที่แสดงต่อพระพักของพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้า หรือที่ฟังเฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าก็มนุษย์ผู้ใดสร้างบารมีไว้มีกุศลลมูลอันแน่นหนามาก่อนมนุษย์ผู้นั้นทำวิปัสสนาให้เกิดแลว้วย่อมบรรลุธรรมะที่สิ้นอาสวะด้วยกุศลมูลนั้นนั่นแหละเหมือนพระเจ้ามาหากับปินาและอัครมเหสีด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าความเป็นผู้ทาบุญไว้ในก่อนเป็นมงคลคนบางคนในโลกนี้ยอมทำตนที่ทุศีนให้ตั้งอยู่ในสุศีนตนที่ไม่มีศรัทธาให้ตั้งอยู่ในศรัทธาสัมปทาตนที่ตรณีให้ตั้งอยู่ในจาคะสัมปทาการตั้งตนดังกล่าวชื่อว่า ตั้งตนไว้ชอบการตั้งตนไว้ชอบนี้เรียกว่าอัตตะสัมมาปนิธิอัตตะสัมมาปนิธินี้แ่ละเป็นมงคลเพราะเหตุไรเพราะเป็นเหตุละเวนที่เป็นไปในปัจจุบันและภายภาคหน้าและประสบอานิสงส์ต่างๆอย่าง พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสมงคลแห่งคถานิไวสามงคลคือการอยู่ในปฏิรูประเทศหนึ่งความเป็นผู้ทาบุญไว้ในกอหนึ่งและการตั้งตนไว้ชอบหนึ่งด้วยประการชนี้ก็ความที่มงคลเหล่านั้นเป็นมงคลก็ได้ชี้แจงไว้ในมงคลนั้นนั้นแล้วทั้งนั้นจบพันานาความแห่งคถทานิว่าปฏิรูประเทศวาโสจะ อนนาคถาว่าพระหุสัจจันจะบทนี้ความเป็นพระหูสูตรชื่อว่าพหุสัจจะในบทนี้ว่าพระหุสัจจันจะความฉลาดในงานฝีมือทุกอย่างชื่อว่าศิลปะการฝึกกายวาจาจิตชื่อว่าวินัยบทว่าสุขสีขีโตแปลว่า อันเขาศึกษาด้วยดีแล้วบทว่าสุภาศิตาแปลว่าอันเขากล่าวด้วยดีแล้วสับว่ายาแสดงความไม่แน่นอนคำเปล่งทางคำพูดชื่อว่าวาจาคำที่เหลือมีนัยยะที่กล่าวมาแล้วทั้งนั้นแหละนี้เป็นการพนานาบทในคาถาว่าพาหุสัจจันจะนี้ ส่วนการพนานาความพึงทราบดังนี้ความเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งสัตถุศาสตร์ที่ทรงพนานาไว้โดยในย่เป็นต้นอย่างนี้ว่าเป็นผู้ทรงสุตตะสั่งสมสุตตะและว่าภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้มีสุตตะมากคือสุตตะเคยยะเวยากรณะเป็นต้น ชื่อว่าความเป็นพระหูสูตรความเป็นพระหูสูตรนั้นตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุละอกุศลและประสบกุศลและเพราะเป็นเหตุทำให้แจ้งปรมัตสัจจะตามลำดับสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้สดับแล้ว ย่อมละอกุศลเจริญกุศลย่อมละสิ่งมีโทษเจริญสิ่งที่ไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์ดังนี้อีกพระดํารัตหนึ่งตรัสว่าย่อมพิจารณาความของธรรมทั้งหลายที่ทรงจําไว้ธรรมทั้งหลายย่อมทนการเพ่งพินิจของเธอผู้พิจารณาความอยู่เมื่อธรรมะทนการเพ่งพินิจอยู่ ชันทะย่อมเกิดเกิดชันทะแล้วก็อุตสาหะเมื่ออุตสาหะก็ใช้ดุญยพินิษเมื่อใช้ดุนยพินิษก็ตั้งความเพียรเมื่อตั้งความเพียรย่อมทำให้แจ้งปรมัถสัจจะด้วยกายคือนามกายและย่อมเห็นทะลุปรุปโปรงด้วยปัญญาดังนี้อันหนึ่งแม้พาหุสัจจะ ความเป็นพระหูสูตรของข้ารหัดอันใดไม่มีโทษอันนั้นก็พึงทราบว่าเป็นมงคลเพราะนำมาซึ่งประโยชน์สุขในโลกทั้งสองศิลปะของข้ารหัดและศิลปะของบรรพชิตชื่อว่าศิลปะบรรดาศิลปะทั้งสองนั้นกิจกรรมมีงานของช่างมณีช่างทองเป็นต้นที่เว้นจากการทำร้ายชีวิตสัตว์อื่น เว้นจากอากุศลชื่อว่าอาคาริกะสิ ป, ปะศิลปะของเขาฤหัสอาการิกะสิ ป, ปะนั้นชื่อว่าเป็นมงคลเพราะนํามาซึ่งประโยชน์ในโลกนี้การจัดทําสมณบริขานมีการกะและเย็บจีวรเป็นต้นซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสรรเสริญไว้ในที่นั้นๆโดยในยะเป็นต้นว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกิจที่ควรทํารายๆของสัพพมัจารีไม่ว่าสูงต่ําเหล่านั้นใดภิกษุเป็นผู้ขยันในกิจที่ควรทํารายๆนั้นละที่ตรัสว่าเป็นนาถากัลณธรรมธรรมะธรรมที่พึ่งชื่อว่าอนาคาริกะสิ ป, ปะศิลปะของบรรพชิตศิลปะของบรรพชิตนั้น พึงทราบว่าเป็นมงคลเพราะนํามาซึ่งประโยชน์สุขในโลกทั้งสองแก่ตนเองและแก่คนอื่นๆวินัยของข้ารืหัดและวินัยของบรรพชิตชื่อว่าวินยัยบรรดาวินัยทั้งสองนั้นการงดเว้นอกุศลกรรมบทสิบชื่อว่าวินัยของข้ารหัดวินัยของข้ารืหัดนั้นข้ารืหัดศึกษาดีแล้วในวินัยนั้น ชื่อว่าเป็นมงคลเพราะนามาซึ่งประโยชน์สุขในโลกทั้งสองด้วยการไม่ต้องสังกิเลตความเศร้าหมองและด้วยการกําหนดคุณคืออาจาระการไม่ต้องอาบัตเจ็ดกองชื่อว่าวินัยของบรรพชิตแม้วินัยของบรรพชิตนั้นอันบรรพชิตศึกษาดีแล้วโดยในยะที่กล่าวมาแล้วหรือป้าริสุทธิ์ที่ศีลสี่ ชื่อว่าวินัยของบรรพชิตวินัยของบรรพชิตนั้นอันบรรพชิตศึกษาดีแล้วด้วยการศึกษาโดยประการที่ตั้งอยู่ในปาริสุทธิ์ที่ศีลสีสนส่นั้นแล้วจะบรรลุพระอรหันต์ได้พึงทราบว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุประสบสุขทั้งโลกิยะทั้งโล ก, กุตระวาจาที่เว้นจากโทษ มีมุสาวาทเป็นต้นชื่อว่าวาจาสุภาษิตเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายวาจาประกอบด้วยองค์สี่เป็นวาจาสุภาษิตหรือว่าวาจาที่เจรจาไม่เพ้อเจอ้อก็ชื่อว่าวาจาสุภาษิตเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า สัตบุรุษทั้งหลายกล่าวว่าวาจาสุภาษิตเป็นวาจาสูงสุดเป็นข้อที่หนึ่งบุคคลพึงกล่าวแต่ธรรมไม่กล่าวไม่เป็นธรรมเป็นข้อที่สองพึงกล่าวแต่คําน่ารักไม่กล่าวคําไม่น่ารักเป็นข้อที่สามกล่าวแต่คําสัตว์ไม่กล่าวคำหลาะแหละเป็นข้อที่สี่แม้วาจาสุภาษิตนี้ ก็พึงทราบว่าเป็นมงคลเพราะนํามาซึ่งประโยชน์สุขในโลกทั้งสองแต่เพราะเหตุที่วาจาสุภาษิตนี้นับเนื่องในวินยัยฉะนั้นถึงไม่สงเคราะห์วาจาสุภาษิตนี้ไว้ด้วยวินัยสับก็พึงทราบว่าเป็นวินยัยเมื่อเป็นเช่นนั้นวาจามีการแสดงธรรมแก่คนเหล่าอื่นเป็นต้นพึงทราบว่า เป็นวาจาสุภาษิตในที่นี้ด้วยความกระอักกระอ่วนนี้หรือความจริงวาจาสุภาษิตตรัสว่าเป็นมงคลก็เพราะเป็นเหตุประสบสุขในโลกทั้งสองและพระนิพพานของสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนการอยู่ในปฏิรูปประเทศพระวังคีสะเทระกล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสพระวาจาใดอันเกสม เพื่อบรรลุพระนิพพานเพื่อทำที่สุดทุกพระวาจานั้นแหละเป็นยอดของวาจาทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสมงคลแห่งคถานิไว้สี่มงคลคือพาหุสัจจะหนึ่งสิปะหนึ่งวินัยที่ศึกษาดีแล้วหนึ่งและวาจาสุภาษิตหนึ่งด้วยประการชนี้ ก็ความที่มงคลนนั้นเป็นมงคลก็ได้ชี้แจงไว้ในมงคลนนั้นนั้นแล้วทั้งนั้นแหละจบพันานาความแห่งคถานี่ว่าพาหุสัจจันจะเป็นต้นพันานาคาถาว่ามาตาปิโตอุปัฏฐานังบัดนี้จะพรนานาในคถานีว่า มาตาปิดตุอุปัฏฐานังมารดาและบิดาเหตุนั้นชื่อว่ามารดาและบิดาบทว่าอุปัฏฐานังแปลว่าการบำรุงบุตรทั้งหลายด้วยพัญญาทั้งหลายด้วยชื่อว่าบุตรและพัญญาการสงเคราะห์ชื่อว่าสังคหะ การงานคือกิจกรรมอากูลหาไม่ได้ชื่อว่าไม่อากูลคำที่เหลือมีในยะที่กล่าวมาแล้วทั้งนั้นแหละนี้เป็นการพันานาบทส่วนการพันานาความพึงทราบดังนี้สตรีผู้ยังบุตรให้เกิดเรียกชื่อว่ามารดาบิดาก็เหมือนกัน การทำอุปการะด้วยการล้างเทา้านวดฟันขัดสีให้อาบน้ำและด้วยการมอบให้ปัจจัยสีชื่อว่าการบารุงในการบารุงนั้นเพราะเหตุที่มารดาบิดามีอุปการะมากหวังประโยชน์อนุเคราะห์บุตรทั้งหลายมารดาบิดาเหาใดล่เห็นบุตรทั้งหลายเล่นอยู่ข้างนอกเดินมามีเนื้อตัวเปื้อนฝุน่นก็เช็ดฝุ่นให้ จูบจอมถนอมกล้าวเกิดความรักเอ็นดูบุตรทั้งหลายใช้ศีรษะทูลมารดาบิดาไวถึงร้อยปีก็ไม่สามารถจะทำปฏิการะสนองคุณของมารดาบิดานั้นได้และเพราะเหตุที่มารดาบิดานั้นเป็นผู้ดูแลบารุงเลี้ยงแสดงโลกนี้สมมุติว่าเป็นพรหมสมมุติว่าเป็นบูรพาจารย์ฉะนั้น การบำรุงมารดาบิดานั้นย่อมนำมาซึ่งการสัรเซอในโลกนี้และละโลกไปแล้วก็จะนำมาซึ่งสุขในสวรรค์ด้วยเหตุนั้นจึงตรัสว่าเป็นมงคลสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่ามารดาบิดาท่านเรียกว่าพรมว่าบูรพาจารย์เป็นอาหุเนยญาบุคคลของบุตรเป็นผู้อนุเคราะห์บุตร เพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงนอบน้อมและพึงสักการะมาดาบิดานั้นด้วยข้าวน้ำผ้าที่นอนการขัดสีการให้อาบน้ำและล้างเทา้าเพราะการโปรนิบัติมาดาบิดานั้นบัณฑิตทั้งหลายจึงสรรเสริญเขาในโลกนี้เขาละโลกไปแล้วยังบันเทิงในสวรรค์อีกในยะหนึ่ง กิจกรรมห้าอย่างมีการเลี้ยงดูท่านทำกิจของท่านและการดำรงวงศ์สกุลเป็นต้นชื่อว่าการบำรุงการบำรุงนั้นพึงทราบว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งประโยชน์สุขในปัจจุบันห้าอย่างมีการห้ามมิให้ทำบาปเป็นต้นสมจริงดังที่พระภูมิพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า ดูก่อนบุตรเข้ารหับดีทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาอันบุตรพึงบำรุงด้วยสถานห้าคือท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราจะเลี้ยงดูท่านจากทากิจของท่านจากตารงวงศ์สกุลจากปฏิบัติตัวเหมาะที่จะเป็นทายาทเมื่อท่านลวงลับดับขันแล้วจะทําบุญอุทิศไปให้ท่านดูก่อนบุตรเข้ารหบดี ทิศเบื้องหน้าคือมานดาบิดาอันบุรถึงบำรุงด้วยสถานห้าเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์บุรด้วยสถานห้าคือห้ามบุรจากความชั่วให้บุรตั้งอยู่ในความดีให้ศึกษาศิลปะจัดหาพัญญาที่สมควรให้มอบทรัพย์มรดกให้ในเวลาสมควรอันหนึ่งผู้ใดบำรุงมานดาบิดา ด้วยให้เกิดความเลื่อมใสในวัตถุคือรัตนะทั้งสาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยให้ถึงพร้อมด้วยศรรีลด้วยการบรรพชาผู้นี้เป็นยอดของผู้บำรุงมารดาบิดาการบำรุงมารดาบิดาของผู้นั้นเป็นการตอบแทนอุปการะคุณที่มารดาบิดาทำมาแล้วตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นประทัดฐานแห่งประโยชน์ทั้งหลาย ทั้งปัจจุบันทั้งภายภาคหน้าเป็นอันมากทั้งบุตรทั้งธิดาที่เกิดจากตนก็นับว่าบุตรทั้งนั้นในคำว่าบุตราทาราศานี้บทว่าทาราได้แก่พัญญายี่สิบจำพวกจำพวกใดจำพวกหนึ่งบุตรละพัญญาชื่อว่าบุตรทาระซึ่งบุตรละพัญญานั้น บทว่าสังขโฮได้แก่การทำอุปการะด้วยการยกย่องเป็นต้นการอุปการะนั้นพึงทราบว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งประโยชน์สุขในปัจจุบันมีความเป็นผู้จัดการงานดีเป็นต้นความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสงเคราะห์บุตรพัญยาที่ทรงยกขึ้นแสดงว่าทิศเบื้องหลังพึงทราบว่า คือบุตรพัญญาไว้ด้วยกิริยาศัพท์จึงตรัสไว้ดังนี้ว่าดูก่อนบุตรครหบดีทิดเบื้องหลังคือพัญญาอันสามีพึงบำรุงด้วยสถานห้าคือด้วยการยกย่องด้วยการไม่ดูหมิน่นด้วยการไม่นอกใจด้วยการมอบความเป็นใหญ่ให้ด้วยการมอบเครื่องประดับให้ดูก่อนบุตรเรืหบดี ทิศเบื้องหลังคือพัญญาอันสามีบำรุงด้วยสถานห้าเหล่านี้แล้วยอมอนุเคราะห์สามีด้วยสถานห้าคือจัดการงานดีสงเคราะห์คนข้างเคียงไม่นอกใจรักษาทรัพย์ที่สามีหามาขยันไม่เกียจคร้านในกิจทุกอย่างหรือมีอีกนัยยะหนึ่งดังนี้บทว่าสังเขาโโห ได้แก่การสงเคราะห์ด้วยทานการให้ปิยวาจาพูดน่ารักอัตจริยาการบำเพ็ญประโยชน์อันเป็นธรรมคืออะไรการให้สเสบียงอาหารในวันอุโบสถการให้ดูงานนักขัตฤกษ์กระทำมงคลในวันมงคลการโอวาสั่งสอนในประโยชน์ทั้งหลายที่เป็นไปในปัจจุบันและเป็นไปภายหน้า การสงเคราะห์นั้นพึงทราบว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งประโยชน์ในปัจจุบันเพราะเป็นเหตุแห่งประโยชน์ในภายหน้าและเพราะเป็นเหตุแห่งความเป็นผู้ที่แม้เทวดาทั้งหลายพึงนอบน้อมเหมือนอย่างที่เท้าสักกะจอมถวยเทพตรัสไว้ว่าดูก่อนมัตรลีคฤรหัดเหล่าใดทำบุญมีศีลเป็นอุบาสกเลี้ยงดูพัญญาโดยธรรม เราย่อมนอบน้อมคารหาดเหล่านั้นการงานทั้งหลายมีกสิกรรมทำไรนาโครักขกรรมเลี้ยงโคและวานิชกรรมค้าขายเป็นต้นเว้นจากภาวะอากูลมีการล่วงเลยเวลาการทำไม่เหมาะและการทำย่อหย่อนเป็นต้นเพราะเป็นผู้รู้จักการเพราะเป็นผู้ทำเหมาะ เพราะเป็นผู้ไม่เกียจคร้านและเพราะไม่ควรพินาศเหตุถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรชื่อว่าการงานไม่อากูลการงานไม่อากูลเหล่านั้นอันบุคคลประกอบได้อย่างนี้ก็เพราะตนบุตรพันยาหรือ่านและกรรมกรเป็นผู้ฉลาดรัดว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้ได้ทรัพย์ เข้าเปลือกและความเจริญในปัจจุบันสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดังนี้ว่าผู้มีธุระทำเหมาะมันย่อมได้ทรัพย์และว่าผู้ชอบนอนหลับ ก, กลางวันเกลียดการขยันกลางคืนเมาประจำเป็นนักเลงครองเรือนไม่ได้ประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเลย พวกคนหนุ่มที่ทอดทิ้งการงานด้วยอ้างว่าหนาวนักร้อนนักเย็นแล้วผู้ใดไม่สำคัญความเย็นและความร้อนยิ่งไปกว่าหญ้าทมกิจของลูกผู้ชายผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมจากสุขและว่าเมื่อคนรวบรวมพวกทระซับเหมือนมแมลงพึ่งรวบรวมน้ําหวานพกทระซับย่อมสะสมเป็นกอง เหมือนจอมปลวกที่ปลวกทั้งหลายกกอะขึ้นฉะนั้นอย่างนี้เป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสมงคลแห่งคาถานี้ไว้สี่มงคลคือการบำรุงมารดาหนึ่งการบำรุงบิดาหนึ่งการสงเคราะห์บุตรพันยาหนึ่งและการงานไม่อากูลหนึ่งหรือห้ามงคลเพราะแยกการสงเคราะห์บุตรและพันยาออกเป็นสอง หรือสามงคลเพราะรวมการบำรุงมานดาและบิดาเป็นข้อเดียวกันก็ความที่มงคลเหล่านั้นเป็นมงคลได้ชี้แจงไว้ในมงคลน น, นั้นๆแล้วทั้งนั้นแหละจบพันณ า, าความแห่งคาถานี้ว่ามาตาปิตตอุปปทานังพันณ า, าคาถาว่าทานันจั บัดนี้จะพนานานในกถาน้ว่าทา น, นันจะชื่อว่าทานเพราะเขาให้ด้วยวัตถุนี้อธิบายว่าเขามอบทรัพย์ที่มีอยู่ของตนให้แก่ผู้อื่นการประพฤติ ธ, ธรรมหรือความประพฤติที่ไม่ปราศจากธรรมชื่อว่าธรรมจาริยาชื่อว่ายาตเพราะใครๆก็รู้ว่าผู้นี้พวกของเรา ไม่มีโทษชื่อว่าอนวัชชะท่านอธิบายว่าใครๆนินทาไม่ได้ติเตียนไม่ได้คำที่เหลือมีนัยยะที่กล่าวมาแล้วทั้งนั้นแหละเป็นการพนานาบทส่วนการพนานาความพึงทราบดังนี้เจตนาเป็นเหตุบริจาคทานวัตถุสิบมีข้าวเป็นต้นซึ่งมีความรู้ดีเป็นหัวหน้าเฉพาะผู้อื่น หรือความไม่โลภที่ประกอบด้วยจารกะเจตนานั้นชื่อว่าทานจริงอยู่บุคคลย่อมมอบให้วัตถุนั้นแก่ผู้อื่นด้วยความไม่โลภด้วยเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าชื่อว่าทานเพราะเขาให้ทานด้วยวัตถุนี้ตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุประสบผลวิเศษที่เป็นไปในปัจจุบันและเป็นไปภายหน้า มีความเป็นผู้ที่ชนเป็นอันมากรักและพอใจเป็นต้นในเรื่องฐานนี้พึงระลึกสุดทั้งหลายเป็นต้นอย่างนี้ว่าดูก่อนสีหะฐานบดีผู้ทายกย่อมเป็นที่รักพอใจของชนเป็นอันมากอีกในยะหนึ่งชื่อว่าฐานมีสองคืออมิสสถานและธรรมทาน ใทานทั้งสองนั้นอามิสถานได้กล่าวมาแล้วทั้งนั้นส่วนการแสดงธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศแล้วอันนำมาซึ่งความสิ้นทุกข์และสุขในโลกนี้และโลกหน้าเพราะหมายจะให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นๆชื่อว่าธรรมทานอันหนึ่งบรรดาทานทั้งสองนี้ธรรมทานนี้อย่างเดียวเป็นเลิศเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงรสแห่งธรรมะชนะรสทั้งปวงความยินดีในธรรมะชนะความยินดีทั้งปวงความสิ้นตัณหาชนะทุกทั้งปวงในพระสูตรลัทานั้นก็ตรัสความที่อามิสทานเป็นมงคลเท่านั้นส่วนธรรมทานตรัสว่าเป็นมงคล เพราะเป็นประฐานแห่งคุณทั้งหลายมีความเป็นผู้ทราบซึ้งอัถะเป็นต้นสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุแสดงธรรมตามที่ฟังมาตามที่เรียนมาโดยพิสดารแก่คนอื่นๆโดยประการใดๆภิกษุนั้นย่อมเป็นผู้ทราบซึ้งอัถและทราบซึ้งธรรมะ ในธรรมะนั้นโดยประการนั้นๆอย่างนี้เป็นต้นการประพฤติกุศลธรรมบทสิบชื่อว่าธรรมจริยาเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เป็นต้นอย่างนี้ว่าดูก่อนขรืหบดีทั้งหลายการประพฤติธธ ร, รมการประพฤติสม่ำเสมอมีสามอย่าง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 ชนผู้เกี่ยวข้องข้างมารดาวหรือข้างบิดาจนถึงเจ็ดชั่วปู่ย่าชื่อว่าญาติการสงเคราะญาตเหล่านั้นผู้ถูกความเสือ่อมโภคะถูกความเสื่อมเพราะเจ็บป่วยครอบงำแล้วมาหาตนสงเคราะด้วยอาหารเครื่องนุ่งห่มและข้าวเปลือกเป็นต้นตามกำลังรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุประสบผลวิเศษที่เป็นปัจจุบัน มีการสันเสริญเป็นต้นและที่เป็นภายหน้ามีไปสุขติเป็นต้นกิจกรรมที่เป็นสุจริตทางกายวาจาใจมีการสมทานองค์อุโบสถการทำความขวนขวายการปลูกสวนและปา่าการสร้างสะพานเป็นต้นชื่อว่าการงานไม่มีโทษ การงานไม่มีโทษเหล่านั้นตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้ประสบประโยชน์สุขนานาประการพึงระลึกถึงพระสทต์ทั้งหลายมีเป็นต้นอย่างนี้ว่าดูก่อนวิสาขาสตรีหรือบุรุษบางคนในศาสนานี้ถืออุโบสถประกอบด้วยองค์8ปดประการเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกพึงเข้าถึงความเป็นสหายของทวยเทพ ฉันจตุมมหาราชิกาอันใดอันนั้นก็เป็นฐานะเป็นไปได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสมงคลแห่งคถานิไว้สี่มงคลคือทานหนึ่งธรรมจริยานึ่งการสงเคราะห์ญาตินึ่งการงานไม่มีโทษนึ่งด้วยประการชนนี้ก็ความที่มงคลเหล่านั้นเป็นมงคล ก็ได้ชี้แจงไว้ในมงคลนั้นนั้นแล้วทั้งนั้นแหลจบพันานาความแห่งคาถานี้ว่าทานั้นจะพันานาคาถาว่าอารติบัดนี้จะพันานาในคาถาว่าอารติวิรตินี้ชื่อว่าอารามณะเพราะงด ชื่อว่าวิรามนะเพราะเวน้นอีกนัยยะหนึ่งเจตนาชื่อว่าวิรัตเพราะเป็นเครื่องที่ศาสตร์งดเวน้นบทว่าปาปาได้แก่จากอากุศลชื่อว่ามัชชะเพราะอัตถะว่าเป็นที่ตั้งแห่งความเมาการดื่มมัชชะชื่อว่ามัชชปานะ สำรวมจากมัชปานะนั้นความระวังชื่อว่าสังยมะความไม่ประมาทชื่อว่าอัปปมาทะบทว่าธรรมเมสุได้แก่ในกุศลทั้งหลายคำที่เหลือมีนัยยะที่กล่าวมาแล้วทั้งนั้นแลนี้เป็นการพนานาบทส่วนการพนานาความพึงทราบดังนี้ ความไม่ยินดียิ่งทางใจอย่างเดียวของบุคคลผู้เห็นโทษในบาปชื่อว่าอารติความเว้นทางกายและวาจาโดยกรรมละทวารชื่อว่าวิรัตก็ธรรมดาวิรัตนั่นนั้ น, น, นมีสามคือสัมปะตะวิรัตหนึ่งสมทานวิรัตหนึ่งสมุดเฉตวิรัตหนึ่งบรรดาวิรัตทั้งสามนั้น วิราเจตนางดเว้นจากวัตถุที่ประสบเข้าอันใดของกุลบุตรโดยนัยเป็นต้นอย่างนี้ว่าข้อที่เราจะฆ่าสัตว์นี้จะลักทรัพย์เป็นต้นเมื่อนึกถึงชาติตระกูลหรือโคดของตนก็ไม่สมควรแก่เราเลยวิราเจตนางดเว้นอันนี้ชื่อว่าสัมปตาวิรัากุ ล, ล, บ, ลบุตรไม่ทำบาปมีปาณาติบาเป็นต้น ตั้งแต่ประพฤติวิรัตอันใดวิรัตนนั้นเป็นไปโดยสมาทานศิกขาบทชื่อว่าสมาทานวิรัตภัยเวณห้าของพระอริยาสาวกระงับไปตั้งแต่ประพฤติวิรัตใดวิรัตนั้นประกอบด้วยอริยมรรคชื่อว่าสมุทเฉตวิรัตบาปอากุศล น, นั้นใดมีสี่อย่างกล่าวคือกรรมะกิเลส ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้พิสดารอย่างนี้ว่าดูก่อนบุตรคฤหบดีกรรมกิเลตคือปานาติบาตกรมมกิเลตคืออาทินนาทานกาเมสุมิชฌารคือมุสาวาท ด, ดังนี้เราส่งสังเขตไว้ด้วยคถาอย่างนี้ว่าท่านกล่าวกรรมกิเลสีคือปานาติบาตอาทินนาทานมุสาวาท และการละเมิดภัญญาของผู้อื่นบัณดิตทั้งหลายไม่สรรเสริญเลยการงดเว้นจากบาปอกุศลนั้นการงดเว้นแม้ทั้งหมดนั้นรัดว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุประสบผลวิเศษนานาประการมีการละภัยเวนที่เป็นปัจจุบันและเป็นไปในภายหน้าเป็นต้นก็ในข้อนี้ พึงระลึกถึงพระสูตรทั้งหลายโดยในยะเป็นต้นว่าดูก่อนบุตรคฤห บ, บดีอริยส า, าวกเว้นขาดจากปานาติบาตแลจะกล่าวพันน า, นาการสำรวมจากการดื่มของเมาคำนี้เป็นชื่อของเจตนางดเว้นจากที่ตั้งแห่งความประมาทคือการดื่มของเมาคือสุราและเมรยัยที่กล่าวไว้ก่อนแล้ว ก็เพราะเหตุที่ผู้ดื่มของเมาย่อมไม่รู้อัตถะไม่รู้ธรรมะย่อมทำอันตรายแกมารดาทำอันตรายแกบิดาแม้แกพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสาวกของพระตถาคตย่อมประสบการติเตียนในภพปัจจุบันประสบทุกขติในภพบเบื้องหน้าและประสบความเป็นบ้าในภพต่อต่อไปส่วนการสำรวมจากการดื่มของเมา ย่อมบรรลุการระงับโทษเหล่านั้นและการถึงพร้อมด้วยคุณตรงกันข้ามกับโทษนั้นฉะนั้นการสำรวมจากการดื่มของเมานี้พึงทราบว่าเป็นมงคลความอยู่ไม่ปราศจากสติในกุศลธรรมทั้งหลายโดยอัฏฐะพึงทราบโดยเป็นปฏิปักษ์ต่อความประมาทที่ท่านกล่าวไว้ในบาลีนี้ ความกระทาโดยไม่เคารพความกระทาโดยไม่ต่อเนื่องความกระทาไม่มั่นคงความประพฤติย่อหย่อนการทอดชันทะความทอดธุระการไม่เสพไม่เจริญไม่ทำให้มากไม่ตั้งใจการไม่ประกอบหนึ่งเนืองความเลินเล่อในการอบรมกุศลธรรมทั้งหลายความประมาทความเลนเล่อความเป็นผู้เลนเล่อเห็นปานนี้ใดอันนี้เรียกว่าประมาท ชื่อว่าความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายความไม่ประมาทในกุศลธรรมนั้นตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุประสบกุศลนานาประการและเพราะเป็นเหตุบรรลุอมตะธรรมในข้อนั้นพึงระลึกถึงคําสอนของพระศาสดาเป็นต้นอย่างนี้ว่าผู้ไม่ประมาทผู้มีความเพียรและว่าความไม่ประมาทเป็นอมตะบท ดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสมงคลแห่งกถานิไวสามงคลคือการงดเว้นจากบาปหนึ่งการสำรวมจากการดื่มของเมาหนึ่งความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายหนึ่งด้วยประการชนนี้ก็ความที่มงคลเหล่านั้นเป็นมงคลก็ได้ชี้แจงไว้ในมงคลนั้นๆแล้วทั้งนั้นแล จบพันนาความแหงคาถาว่าอารตีพันนาคาถาว่าคาระโวจะบัดนี้จะพันนาในคาถาว่าคาระโวจะนี้บทว่าคาระโวได้แก่ความเป็นผู้หนักในวงเล็บการ ที่สะกดด้วยกอไก่สระอาะรอเรือนอนเนการันนะครับบทว่านิวาโตได้แก่ความประพฤติถ่อมตนบทว่าสันตุธิแปลว่าความสันโดษความรู้อุปการะคุณที่ท่านทำไว้ชื่อว่ากตัญญูตาบทว่ากาเลนะแปลว่าขณะสมัย การฟังธรรมชื่อว่าธรรมสวนะคำที่เหลือมีนัยยะที่กล่าวมาแล้วทั้งนั้นแหลนี้เป็นการพรรณนาบทส่วนการพรรณนาความพึงทราบดังนี้ความเคารพการทำความเคารพความเป็นผู้มีความเคารพตามสงควรในพระพุทธเจ้าพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าพระสาวกของพระตถาคตอาจารย์อุปัชฌาย์ มารดาบิดาพี่ชายพี่สาวเป็นต้นเป็นผู้ควรประกอบความเคารพชื่อว่าคาระวะคาระวะนี้นั้นเป็นมงคลเพราะเหตุที่เป็นเหตุแห่งการไปสุขติเป็นต้นเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่าบุคคลกระทําความเคารพผู้ที่ควรเคารพสักการะผู้ที่ควรสักการะนับถือผู้ที่ควร น, นับถือ บูชาผู้ที่ควรบูชาเพราะกรรมนั้นที่ยึดถือไว้บริบูรณ์อย่างนี้เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้าเขาไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หากเขามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นผู้มีตระกูลสูงในประเทศที่กลับมาเกิดดังนี้และเหมือนอย่างที่ตรัสไว้อย่างนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ท ร, รมาเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อมเจ็ดประการเหล่านี้เจ็ดประการเป็นไงเจ็ดประการมีความเป็นผู้มีความเคารพในพระศาสดาดังนี้เป็นต้นฉะนั้นจึงตรัสว่าเป็นมงคลความเป็นผู้มีใจลดตำ่ำความเป็นผู้มีความประพฤติไม่ลำพองชื่อว่าความทำตน บุคคลประกอบด้วยความเป็นผู้ถ่อมตนอันใดกำจัดมานะได้กำจัดความกระด้างได้เป็นเสมือนผ้าเช็ดเท้าเสมอด้วยโคอุสุภะเขาขาดและเสมอด้วยงูที่ถูกถอนเขี้ยวแล้วย่อมเป็นผู้ละเอียดอ่อนละมุนละไมห่องแพ้วด้วยสุขความเป็นผู้ถ่อมตนอันนี้เป็นนิวาตะนิวาตะนี้นั้น ว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุได้คุณมียศเป็นต้นอันหนึ่งตรัสไว้ว่าผู้มีความถ่อมตนไม่กระด้างคนเช่นนั้นย่อมได้ยศ ด, ดังนี้เป็นต้นความพอใจด้วยปัจจัยตามมีตามได้ชื่อว่าสันตุถถีสันโดษนั้นมีสิบสองอย่าง คือในจีวรสามอย่างคือยะถาลาภสันโดษสันโดษตามที่ได้ยถาภละสันโดษสันโดษตามกําลังยะถาสารุ ป, ปสันโดษสันโดษตามสมควรในบินทบาทเป็นต้นก็อย่างนี้จะพันน า, นาประเภทแห่งสันโดษนั้นดังนี้ ภิกษุในธรรมวิไนนี้ได้จีวรดีหรือไม่ดีภิกษุนั้นก็ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยจีวร น, นั้นเท่านั้นไม่ประสงค์จีวร อ, อื่นเมื่อได้ก็ไม่รับนี้ชื่อว่ายถาลาภสันโดษในจีวรของภิกษุนั้นอันหนึ่งเล่าภิกษุอาพาธเมื่อห่มจีวรหนักยอมต้องค้อมตัวลงหรือลำบาก เธอจึงเปลี่ยนจีวร น, นั้นกับภิกษุที่ชอบกันอย่างอัตภาพให้เป็นไปด้วยจีวร น, นั้นก็ยังเป็นผู้สันโดษอยู่นี้ชื่อว่ายะถาภะละสันโดษในจีวรของภิกษุนั้นภิกษุอีกรูปหนึ่งเป็นผู้ได้ปัจจัยอันประณีตเธอได้จีวรบรรดาจีวรชั้นดีเป็นต้นยังได้อย่างหนึ่งซึ่งมีค่ามาก คิดว่าจีวร น, นี้เหมาะแก่พระเทระพระผู้บวชมานานและพระพหูสูรจึงถวายแก่พระภิกษุเหล่านั้นตนเองก็เลือกเอาเศษผ้าจากกองขยะหรือจากที่ไรๆอื่นทำสังคติครองก็ยังเป็นผู้สันโดษอยู่นั่นเองนี้ชื่อว่ายะถาสารูปสันโดษในจีวรของภิกษุนั้น อันหนึ่งภิกษุในธรรมวิไนนี้ได้บินธบาตปอนหรือปราณีตยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยบินธบาตนั้นไม่ประสงค์บินธบาตอื่นแม้เมื่อได้ก็ไม่รับนี้ชื่อว่ายถาลาภสันโดษในบินทบาตของภิกษุนั้นภิกษุอาพาธชั้นบินธบาติเศร้าหมองโรคจะกำเริบหนักเธอจึงถวายบินธบาตนั้นแก่ภิกษุที่ชอบกัน ฉันเนยใสยน้ำพึ่งและนมสดเป็นต้นจากมือของภิกษุนั้นแม้ทำสมณธรรมอยู่ก็ยังเป็นผู้สันโดษนี้เป็นยถาภละสันโดษในบิณฑบาตของภิกษุนั้นภิกษุอีกรูปหนึ่งได้บิณฑบาตอันปราณีเธอคิดว่าบิณฑบาตนี้เหมาะแก่พระเทระพระผู้บวชมานาน และแม้แก่สัพพรมาจารีอื่นผู้เว้นบินทบาตอันปราณีเสียก็ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้จึงได้ถวายแก่ภิกษุเหล่านั้นตนเองเที่ยวบินทบาทแม้ฉันอาหารที่ปนกันก็ยังเป็นผู้สันโดษอยู่นี้ชื่อว่ายทาสารูปสันโดษในบินทบาทของภิกษุนั้นอันหนึ่ง เสนาสนะมาถึงภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอก็สันโดษด้วยเสนาสนะนั้นนั่นแหละไม่ยอมรับเสนาสนะอื่นแม้ดีกว่าที่มาถึงอีกนี้ชื่อว่ายะถาลาภสันโดษในเสนาสนะของภิกษุนั้นภิกษุอาพาต่ในเสนาสนะที่อับลมยอมจะทุรนทุรายอย่างเลอะเกินด้วยโรคดีเป็นต้น เธอจึงถวายเสนาสนะแก่ภิกษุที่ชอบกันแล้วอยู่ในเสนาสนะอันเย็นมีลมที่ถึงแก่ภิกษุนั้นแม้กระทาสมณธรรมก็ยังเป็นผู้สันโดษอยู่มีชื่อว่ายะถาภละสันโดษในเสนาสนะของภิกษุนั้นภิกษุอีกรูปหนึ่งไม่ยอมรับเสนาสนะที่ดีแม้มาถึงคิดว่าเสนาสนะดี เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อภิกษุนั่งในเสนาสนะนั้นทีนัมิทะย่อมครอบงำเมื่อหลับแล้วตื่นขึ้นมาอีกกามวิตกย่อมฟุ้งขึ้นเธอจึงปฏิเสธเสนาสนะนั้นเสียอยู่แต่ในที่แจ้งโคนไม้ละกุติมุงบางด้วยใบไม้แห่งใดแห่งหนึ่งก็ยังเป็นผู้สันโดษอยู่นี้ชื่อว่า ยะถาสารูปัสันโดษในเสนาสนะของภิกษุนั้นอนหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้เพสัตรไม่ว่าผลสมอหรือมะขามป้อมเธอก็ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยเพสัชนั้นไม่ประสงค์เพสัชอย่างอื่นมีเนยไสยน้ำพึ่งน้ำอ้อยเป็นต้นที่ได้แล้วแม้เมื่อได้ก็ไม่รับ นี้ชื่อว่ายะถาลาภสันโดษในกิฬานปัจจัยของภิกษุนั้นภิกษุอาพาต้องการน้ำมันแต่ได้น้ำอ้อยเธอก็ถวายน้ำอ้อยนั้นแก่ภิกษุที่ชอบกันแต่ทำยาด้วยน้ำมันจากมือของภิกษุนั้นแม้กระทําสมณะธรรมก็ยังเป็นผู้สันโดษอยู่นี้ชื่อว่ายะถาภละสันโดษในกิฬานปัจจัยของภิกษุนั้น ภิกษุอีกรูปหนึ่งใส่สมอดองกับมูดเน่าลงในภาชนะใบหนึ่งใส่ของมีรสอร่อยสี่อย่างลงในภาชนะใบหนึ่งเมื่อถูกเพื่อนภิกษุบอกว่าท่านต้องการสิ่งใดก็ถือเอาเถิดท่านทว่าอาพาธของภิกษุนั้นระ ง, งับไปด้วยสมอดองน้ามูดเนา่าและของรสอร่อยทั้งสองนั้นยังได้อย่างหนึ่งไซสเมื่อเป็นดังนั้น เธคิดว่าธรรมดาว่าสมอดองด้วยน้ำมูดเนา่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นส่งสันเสริญแล้วและพระพุทธเจ้าตรัสว่าบรรพชาอาศัยมูดเน่าเป็นเพสัตชพึงทําความอุตสาหะในมูดเน่าเป็นเพสัตชนั้นจนตลอดชีวิตปฏิเสธของมีรสอร่อยเป็นเพสัตชแม้กระทําเพสัตช ด, ด้วยสมอดองด้วยมูดเนา่าก็เป็นผู้สนโดดอย่างยิ่ง นี้ชื่อว่ายะถาสารูปะสันโดษในกิฬานปัจจัยของภิกษุนั้นสันโดษแม้ทั้งหมดนั้นมีประเภทอย่างนี้ก็เรียกว่าสันตุถีสันตุถีนั้นพึงทราบว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุประสบการละบาปรมทั้งหลายมีความปรารถนาเกินส่วนความมากมากและความปรารถนาลามกเป็นต้น เพราะเป็นเหตุแห่งสุขติเพราะเป็นเครื่องอบรมอริยมรรคและเพราะเป็นเหตุแห่งความเป็นผู้อยู่ได้สบายในทิศทั้งสี่ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าผู้สันโดษ ด, ด้วยปัจจัยตามมีตามได้ย่อมเป็นอยู่สบายในทิศทั้งสี่และไม่มีปฏิฆะเลยดังนี้เป็นต้นหมายเหตุผู้อ่าน ขอกล่าวถึงเรื่องสมอดองด้วยน้ำมูดเน่าสักนิดหนึ่งนะครับเพราะปัจจุบันมีการนำพระไตรปิฎกไปอ้างอิงว่าพระพุทธเจ้าตรัสให้กินปัสสาวะเป็นยาจริงๆถ้าคนศึกษาพระไตรปิฎกจริงและมีความรู้ทางด้านยาก็จะรู้ว่าตัวยาจริงๆคือสมอดองนะครับแต่น้ำมูดเน่านั่นคือปัสสาวะของโคซึ่งในโบราณนั้นเป็นการนามาทำกระสายยา ไม่ใช่ตัวยาหลักนะครับดังนั้นการที่ไปอ้างอิงว่าพระพุทธเจ้าสั่งสอนให้กินปัสสวะเป็นยานั้นจึงถือว่าบิดเบือนคำสอนพระพุทธเจ้านะครับในสมัยก่อนนั้นการจะหายารักษาโรคจะหากระสายยาไม่ใช่เรื่องง่ายภูมิปัญญาโบราณ น, นั้นท่านจึงเอาของที่หาง่ายในบริเวณนั้นนั่นก็คือปัสสวะของโคนะครับ แต่ในปัจจุบันเรามีตัวเลือกอีกมากมายที่ผ่านการพิสูตรวิจัยแล้วมียาสำเร็จรูปมียาสมุนไพรตำรับไทยตำรับจีนเยอะมากที่ใช้แทนได้นะครับจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้พิจารณาด้วยนะครับความรู้จักอุปกระคุณที่ผู้ใดผู้หนึ่งทำมาแล้วไม่ว่ามากหรือน้อยโดยการระลึกถึงเนือง ชื่อว่ากตัญยุตาอันหนึ่งบุญทั้งหลายนั้นและมีอุปการะมากแก่สัตว์ทั้งหลายเพราะป้องกันทุกมีทุกในนรกเป็นต้นได้ดังนั้นการระลึกถึงอุปการะของบุญแม่เหล่านั้นก็พึงทราบว่าเป็นกตัญยุตากตัญยุตานั้นตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุประสบผลวิเศษมีประการต่าง มีเป็นผู้อันสัตบุรุษทั้งหลายพึงสันเสริญเป็นต้นทั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสองจำพวกเหล่านี้หาได้ยากในโลกคือบุพการีหนึ่งกตัญญูกตตะเวทีหนึ่งการฟังธรรมะการฟังธรรม เพื่อบรรเทาความวิตกในการที่จิตประกอบด้วยอุท ธ, ธจัจจะหรือจิตถูกวิตกทั้งหลายมีการมาวิตกเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งครอบงำชื่อว่าการฟังธรรมตามการอาจารย์อีกพวกหนึ่งกล่าวว่าการฟังธรรมทุกๆห้าวันชื่อว่าการฟังธรรมตามการเหมือนอย่างที่ท่านกล่าวว่าท่านพระอนุรุทธากราบทูลว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์นั่งประชุมกันด้วยธรรมีกระถาคืนยันรุ่งทุกวันที่ห้าแหละอันหนึ่งในการใดภิกษุเข้าไปหากัลยานมิตรแล้วอาจฟังธรรมบรรเทาความสงสัยของตนเสียได้การฟังธรรมแม้ในการนั้นก็พึงทราบว่าการฟังธรรมตามการเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า ภิกษุเข้าไปหากัลยาณมิตรเหล่านั้นสอบถามไล่เลียงตลอดการตามการการฟังธรรมตามการนั้นนั้นพึงทราบว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุประสบผลวิเศษนานาประการมีการละนิวรได้อานิสงส์สีและบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะเป็นต้นสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดังนี้ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในสมัยใดพระอริยสาวกใส่ใจทำให้เป็นประโยชน์รวบรวมทุกอย่างไว้ด้วยใจเงียโสดฟังธรรมในสมัยนั้นนิวรห้าของพระอริยสาวกนั้นย่อมไม่มีแล้ ว, ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพึงหวังอานิสงส์สี่ประการแห่งธรรมะทั้งหลายที่คุณโสด ที่แทงตลอดด้วยดีแล้วและว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะสี่เหล่านี้อันภิกษุอบรมโดยชอบหมุนเวียนไปโดยชอบตลอดการตามการย่อมให้ถึงธรรมะเป็นที่สิ้นอาสวะโดยลำดับธรรมะสี่ประการคือการฟังธรรมตามการอย่างนี้เป็นต้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสมงคลแห่งกถานี้ไว้ห้ามงคลคือความเคารพหนึ่งการถ่อมตนหนึ่งสันโดษหนึ่งกะตันยุตาหนึ่งและการฟังธรรมตามการหนึ่งด้วยประการชนนี้ความที่มงคลเหล่านั้นเป็นมงคลก็ได้ชี้แจงไว้ในมงคลนั้นๆแล้วทั้งนั้นแหละจบพรนานาความแห่งกถานี้ว่าข่าวระโวจะ พานนาคถาว่าขันติจะบัด น, นี้จะพานนาในคถาว่าขันติจะนี้ความอดทนชื่อว่าขันติชื่อว่าสุวัจจะเพราะมีความว่าง่ายเพราะเป็นผู้ถือเอาโดยเบื้องขวากรรมของผู้ว่าง่ายชื่อว่าโสวัจจสะ ความเป็นแห่งกรรมของผู้ว่าง่ายชื่อว่าโสวจัสตาชื่อว่าสมณะเพราะระ ง, งับกิเลส ท, ทั้งหลายได้บทว่าทัศนังได้แก่การเพ่งดูการสนทนาธรรมชื่อว่าธรรมศากาัจฉาคำที่เหลือมีนัยยะที่กล่าวมาแล้วทั้งนั้นแหลนี้เป็นการพันานาบทส่วนการพันานาความ พึงทราบดังนี้อธิวาสนขันติชื่อว่าขันติที่ภิกษุผู้ประกอบด้วยขันตินั้นแล้วยอมไม่มีอาการผิดปกติเป็นผู้เหมือนไม่ได้ยินบุคคลที่ดาด้วยอักโกรวัตถุสิบและเหมือนไม่เห็นบุคคลผู้เบียดเบียนด้วยการฆ่าและการจองจำเป็นต้นเหมือนขันติวาทีดาบทฉะนั้น เหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสมณะผู้แสดงขันติได้มีมาแล้วในอดีตการพระเจ้ากาสีได้ทรงทำลายสมณะผู้ตั้งอยู่ในขันตินั่นแหลหรือย่อมใส่ใจว่าเขาทำดีแล้วเพราะไม่มีความผิดยิ่งไปกว่านั้นเหมือนท่านปุณณะเทระฉะนั้นอย่างที่ท่านกราบทูนว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าผู้คนชาวสุนาป ร, รันตกะจะด่าจากบริพาทข้าพระองค์ใสในข้อนั้นข้าพระองค์ก็จักใส่ใจว่าผู้คนชาวสุนาป ร, รันตกะเหล่านั้นเป็นผู้เจริญหนาผู้คนชาวสุนาปรันตกะเหล่านี้เป็นผู้เจริญดีหนาผู้คนเหล่านี้ไม่ตีข้าพระองค์ด้วยมือดังนี้เป็นต้น และที่ภิกษุประกอบด้วยขันตินั้นแล้วย่อมเป็นผู้ที่แม้แต่ฤาษีทั้งหลายก็พึงสรรเสริญอย่างท่านสารพังเครือีกล่าวไว้ว่าคนข่าความโกรธได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกในการไหนฤาษีทั้งหลายย่อมสรรเสริญการละความลบหลู่คนควรอดทนคาหยาบที่คนทั้งปวงกล่าวแล้วสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญขันตินั้น ว่าสูงสุดย่อมเป็นผู้ที่แม้แต่เทวดาทั้งหลายก็พึงสรรเสริญอย่างที่เท้าสากกะจอมถวยเทพรัดไว้ว่าผู้ใดเป็นคนแข็งแรงอดกลั้นต่อคนอ่อนแอสัตว์บุรุษทั้งหลายสรรเสริญขันตินั้นของผู้นั้นว่าเป็นเยี่ยมคนอ่อนแอย่อมต้องอดทนอยู่เป็นประจำ ย่อมเป็นผู้ที่แม้แต่พระพุท ธ, ธทั้งหลายก็พึงสรรเสริญอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดไม่โกรธอดกลั้นการดา่าการฆ่าและการจองจําได้เราเรียกผู้นั้นซึ่งมีขันติเป็นกําลังมีกองกําลังเราเรียกผู้นั้นว่าพรามไมเหตุผู้อ่านความหมายในยะนี้ เป็นความหมายที่พระพุทธองค์ทรงใช้สัพที่คนทั่วไปเข้าใจกันแต่ตรัสเรียกในความหมายทางพระพุทธศาสนานะครับซึ่งพราหมณ์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์หรือพราหมณ์โดยวั น, นะความหมายในย่าหนึ่งคือหมายถึงผู้ลอยบาปละบาปได้ก็ขันตินั่นนั้นพึงทราบว่าเป็นมงคล เพราะเป็นเหตุประสบคุณเหล่านั้นและคุณอื่นๆที่ทรงสรรเสริญในที่นี้เมื่อถูกเพื่อนสัพโรมจารีว่ากล่าวโดยธรรมก็ไม่ถึงความฟุ้งซ่านความนิ่งงนันหรือคิดถึงคุณและโทษวางความเอื้อเฟื้อความเคารพและความมีใจตกต่ำเป็นเบื้องหน้าอย่างยิ่งรับแห ล, ล่งถ้อยคําว่าดีหลักขอรับดังนี้ ชื่อว่าโซวาจัสตาความว่าง่ายโซวาจัสตานั้นตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุได้โอวาดและอนุสาสนีจากสำนักเพื่อนสัพพรมจารีทั้งหลายและเพราะเป็นเหตุละโทษและบรรลุคุณการเข้าไปหาการบำรุงการระลึกการฟังและการเห็นนักบวชทั้งหลายผู้ระงับกิเลสแล้ว อบรมกายวาจาจิตและปัญญาแล้วประกอบด้วยความสงบอย่างสูงชื่อว่าการเห็นสมณะทั้งหลายการเห็นสมณะแม้ทั้งหมดท่านกล่าวว่าทัศนะโดยเทศนาอย่างตำ่ำการเห็นสมณะนั้นพึงทราบว่าเป็นมงคลเพราะเหตุไรเพราะมีอุปการะมากจริงอยู่ พระภูมิพระภาคเจ้าตรัดไว้เป็นต้นว่าดูก่อรภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าการเห็นภิกษุเหล่านั้นมีอุปการะมากเพราะบุญอันใดกุลบุตรผู้ต้องการประโยชน์เห็นภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลมาถึงประตูเรือนผีว่าทยธรรมมีอยู่ก็พึงนับถือด้วยทยธรรมตามกาลังผีว่าไม่มี ก็พึงไหวยอย่างเบญจางคประดิษฐ์เมื่อการไหวยอย่างเบญจางคประดิษฐ์ยังไม่พร้อมก็พึงประคองอัญชลีน้ำมัสการเมื่อการนอบน้อมยังไม่พร้อมก็มีจิตผ่องใสแลดูด้วยจักสุที่น่ารักด้วยบุญที่มีการแลดูเป็นมูลอย่างนี้โรคหรือโทษฝ้าหรือต่อมจะไม่มีในจักสุตลอดหลายพันชาติ จากสูตรทั้งสองก็จะผ่องใสมีสิริมีวั น, นะห้าเสมือนบานประตูแก้วมณีที่เปิดในรัตนวิมานเขาจะได้สมบัติในเทวดาและมนุษย์ประมาณแสนกับข้อที่เขาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนมีปัญญาพึงสวยวิบากสมบัติเห็นป่านนี้ก็ด้วยบุญที่สำเร็จมาแต่การเห็นสมณนะซึ่งเขาประพฤติมาโดยชอบไม่น่าอัศจรรย์เลย แม้สำหรับสัตว์เดรัจฉานบันดิต ท, ทั้งหลายก็พันนาวิบากสมบัติของการเห็นสมณะที่เพียงทำศรัทธาให้เกิดแล้วอย่างเดียวว่าอย่างนี้ในบาลีประเทศใดบาลีประเทศนั้นมีว่านกฮูกตากลมอาศัยอยู่ที่เวทยาาียกะบรรพสมาตลอดการยาวนานนกฮูกตัวนี้สุขแท้หนอเห็นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐซึ่งลุกขึ้นแต่เช้า มันทำจิตให้เลื่อมใสในตัวเราและภิกษุสงฆ์ผู้ยอดเยี่ยมไม่ต้องไปทุกขติถึงแสนกับมันจุติจากเทวโลกอันกุศลกรรมตักเตือนแล้วจากเป็นพระพุท ธ, ธผู้มีอนันตญาณปรากฏพระนามว่าโสมนัสสะดังนี้ในเวลาพลบค่ำหรือในเวลาย่มรุง่งภิกษุฝ่ายพระสูตรสองรูป ย่อมสนทนาพระสูตรกันฝ่ายพระวินัยก็สนทนาพระวินัยกันฝ่ายพระอภิธรรมก็สนทนาพระอภิธรรมกันฝ่ายชาดกก็สนทนาชาดกกันฝ่ายอัตถกถาก็สนทนาอัตถกถากันหรือสนทนากันในการนั้นๆเพื่อชำระ จ, จิตที่ถูกความหดหู่ความฟุ้งซ่านและความสงสัยชักนําไปการสนทนาตามการนี้ ชื่อว่าการสนทนาธรรมตามการการสนทนาธรรมตามการนั้นตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งคุณทั้งหลายมีความฉลาดในอาคมคือนิกายทั้งห้าเป็นต้นแลระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสมงคลแห่งคาถานิไว้สี่มงคลคือความอดทนหนึ่งความเป็นผู้ว่าง่ายหนึ่ง การเห็นสมณะหนึ่งและการสนทนาธรรมตามการหนึ่งด้วยประการชะนี้ก็ความที่มงคลเหล่านั้นเป็นมงคลได้ชี้แจงไว้ในมงคลนั้นนั้นแล้วทั้งนั้นแลจบพันณาความแห่งคาถาว่าขันตีจะพันณาคาถาว่าตโปจาก บัดนี้จะพันน า, นานในคาถาว่าตัโปจะนี้ชื่อว่าตปะเพราะเผาบาปรมความประพฤติอย่างพรหมหรือความประพฤติของพรหมชื่อว่าพรหมจัน ร, ร์ท่านอธิบายว่าความประพฤติอย่างประเสรศิฐการเห็นอริยสัจ ท, ทั้งหลายชื่อว่าอริ ย, ยสัจนาทัศนัง อาจารย์บางพวกกล่าวว่าอริยสัจจานิทัศนังดังนี้ก็มีชื่อว่านิพพานเพราะออกจากวานะตัณหาเครื่องร้อยรัดการทำให้แจ้งชื่อว่าสัจชกิริยาการทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานชื่อว่านิพพานสัจชกิริยา คำที่เหลือมีนัยยะที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนั้นแลนี้เป็นการพันานาบทส่วนการพันานาความพึงทราบดังนี้อินทรียสังวรชื่อว่าตปะเพราะเผาอภิชาและโทมนัสเป็นต้นหรือความเพียรชื่อว่าตปะเพราะเผาความเกียรคร้านบุคคลผู้ประกอบด้วยตปะเหล่านั้นท่านเรียกว่า อาตาปีตปะนี้นั้นพึงทราบว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุละอภิชาเป็นต้นและได้ฌานเป็นอาทิสำหรับคําว่าตปะนั้นเมื่ออ่านแบบไทยจะเรียกว่าต บ, บะนะครับชื่อว่าพรหมจันท ร, ร์เป็นชื่อของเมถุนวิรัติสมณธรรมศา ส, สนาและมรรคจริงอย่างนั้น เมทุนวิรัต์ท่านเรียกว่าพรหมจรรย์ได้ในประโยคเป็นต้นว่าอภรรมจารียังปหานะพรหมจารีโหติเมทุนวิรัต์เป็นพรมจารีสมณธรรมเรียกว่าพรมจรรย์ได้ในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่าภควาติโนโอาวุโสพรหมจรยียงวัดสติผู้มีอายุ เราอยู่พระพฤติสมณธรรมในพระผู้มีพระภาคเจ้าศา ส, สนาเรียกว่าพระมรรจันได้ในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่าณนะตะวาหังป่าปิมะปรินิพายิสามิยาวะเมอิทังพระมจริยังณอิทันเจวะภวิสติพีตัญจะวิทาริกังพาหุงมชันยังดูก่อนมาน ตราบใดศาสนานี้ของเราจักยังไม่มั่นคงเจริญแพร่หลายรู้กันมากคนเราก็จักยังไม่ปรินิพานตราบนั้นมักเรียกว่าพรมาจรรันได้ในประโยคเป็นต้นอย่างนี้ว่าอายะเมวะโคภิกขุอริโยอัตทังคิโกมัคโคปรมาจาริยังเสยยทีทางสัมมาทิฐิดูก่อนภิกษุ อริยมากมีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเป็นพระมจรรันทร์แต่ในที่นี้พรมจันยร์แม้ทุกอย่างไม่เหลือย่อมควรเพราะมรรคท่านสงเคราะห์ด้วยอริยสัจจานาทัศนะข้างหน้าแล้วก็พรมจันท ร, ร์นั้นๆนพึงทราบว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุประสบผลวิเศษนาน า, นาประการชั้นสูง การเห็นมักโดยตรัสรูอริยสัจสี่ที่กล่าวไว้แล้วในกุมารปัญหาชื่อว่าอริยสัจานาทสนะอริยสัจานาทสนะนั้นตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุล่วงทุกข์ในสังสารวัฏอรหัตผลท่านประสงค์เอาว่านิพพานในที่นี้ ชื่อว่านิพพานสัจจิกิริยากระทำให้แจ้งในพระนิพพานจริงอยู่อรหัตผลแม้นั้นท่านกล่าวว่านิพพานเพราะออกจากตัณหาที่เข้าใจกันว่าวานะเพราะร้อยไว้ในกติห้าการถึงหรือการพิจรารณาพระนิพพานนั้นเรียกว่าสัจจิกิริยา แต่การทำให้แจ้งพระนิพพานนอกนี้สำเร็จได้ด้วยการเห็นอริยสัจ ส, สี่นั่นแหละด้วยเหตุนั้นการเห็นอริยสัจนั้นท่านจึงไม่ประสงค์ในที่นี้การทำให้แจ้งพระนิพพานนั้นพึงทราบว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นต้นด้วยประการชนนี้ ราผู้มีพระภาคเจ้าตรัสมงคลแห่งคถานิไว้สี่มงคลคือตะปะหนึ่งโรมจารหนึ่งอริยสัจจานัทสนะหนึ่งและนิพพานสัจจิกิริยาหนึ่งด้วยประการชนนี้ก็ความที่มงคลเหล่านั้นเป็นมงคลได้ชี้แจงไว้ในมงคลนั้นนั้นแล้วทั้งนั้นแลจบพนนันนาความแห่งคถานิว่าตโปโจ พันนาคาถาว่าพุทธะโลกธรรมเมหิตบัดนี้จะพันนาในคถาว่าพุทธะโลกธรรมเมหินี้บทว่าพุทธะได้แก่ถูกแล้วต้องแล้วประสบแล้วธรรมะทั้งหลายในโลกชื่อว่าโลกธรรมท่านอธิบายว่าธรรมะทั้งหลายจะไม่หวนกลับ ตราบเท่าที่โลกยังดำเนินไปบทว่าจิตตังได้แก่มโนโมานัตบทว่ายศศะได้แก่ของภิกษุใหม่ภิกษุปูนกลางหรือภิกษุผู้เทระบทว่านกรรมปติได้แก่ไม่หวันไม่ไหวบทว่าอาโศกังได้แก่ไร้ความโศกถอนโศกสันติแล้ว บทว่าวิรชังได้แก่ปราศจากละอองกิเลสกำจัดละอองกิเลสแล้วบทว่าเขมังได้แก่ไม่มีภัยไรอุปัตถวะคำที่เหลือมีนัยยะที่กล่าวไว้แล้วแหลนี่เป็นการพันานาบทส่วนการพันานาความพึงทราบดังนี้จิตของผู้ใดอัโลกธรรมแปดมี มีลาบไม่มีลาบเป็นต้นถูกต้องครอบงำแล้วย่อมไม่หวั่นไม่ไหวไม่กระเทือนชื่อว่าจิตของผู้ใดอัโลกธรรมกระทบแล้วไม่หวั่นไหวจิตนั้นของผู้นั้นพึงทราบว่าเป็นมงคลเรานำมาซึ่งความเป็นผู้สูงสุดเหนือโลกซึ่งธรรมะไรๆให้หวั่นไหวไม่ได้ถามว่าก็จิตของใคร ถูกโลกธรรมเหล่านั้นกระทบแล้วไม่หวั่นไหวตอบว่าจิตของพระอรหันตตะขีนาศไม่ใช่จิตของใครอื่นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดังนี้ว่าภูเขาหินทึบแท่งเดียวยอมไม่ไหวด้วยลมชันใดรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะและธรรมะทั้งสิ้นทั้งส่วนอิทธารมทั้งส่วนอนิธารม ยอมทำจิตของท่านผู้คงที่ให้หวันไหวไม่ได้ก็ฉันนั้นด้วยว่าจิตของท่านที่มั่นคงหลุดพ้นแล้วยอมเห็นความเสื่อมอยู่เนืองเนืองจิตของพระขีณาสพเท่านั้นชื่อว่าอโศกไม่เศร้าโศกจิตของพระขีณาสพนั้นชื่อว่าอโศกเพราะไม่มีความเศร้าโศก ที่ท่านกล่าวโดวยนัยะเป็นต้นว่าความโศกความเศร้าความเป็นผู้เศรโศกความแห้งใจความแห้งผากภายในความที่ใจถูกความเศรโศกแผดเผาอาจารย์บางพวกกล่าวถึงพระนิพพานคำนั้นเชื่อมความไม่ได้กับบทต้นๆจิตของพระขีณาศพเท่านั้นชื่อว่าอโศกฉันใดก็ชื่อว่าวิราชาเขมะฉันนั้น จิตของพระขีณาศพนั้นชื่อว่าวิรชะเพราะปราศจากละอองกิเลสมีราคะโทสะโมหะเป็นต้นและชื่อว่าเขมาเพราะปลอดจากโยคะทั้งสี่เพราะว่าจิตทั้งสามอย่างนั้นตัวที่ท่านถือเอาแล้วในขณะจิตเป็นไปในอารมณ์นั้นๆโดยอาการนั้นๆพึงทราบว่าเป็นมงคล เพราะนำมาซึ่งความเป็นผู้สูงสุดเหนือโลกมีความเป็นผู้มีขันอันไม่เป็นไปแล้วคือไม่เกิดอีกและเพราะนำมาซึ่งความเป็นอาหุนายะบุคคลเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสมงคลแห่งคถานี้ไว้สี่มงคลคือจิตที่ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมแปดหนึ่งจิตไม่เศร้าโศกหนึ่งจิตปราศจากลอองกิเลสหนึ่ง จิตกระแสมหนึ่งด้วยประการชนนี้ก็ความที่มงคลเหล่านั้นเป็นมงคลก็ได้ชี้แจงไว้ในมงคลนั้นนั้นแล้วทั้งนั้นแหลจบพันณาความแห่งคถานิว่าพุทธัสะโลกะธรรมเมหิพันณนาคาถาว่าเอตาธิสานิ พระผู้มีพระภาคเจ้ากรันตรัสมหามงคลสามสิบแปประการด้วยคาถาสิบคาถามีอเสวนาจภพาลานังการไม่ครบพานเป็นอทิอย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อจะทรงเชยชมมงคลที่พระองค์ตรัสเหล่านี้แหลจึงได้ตรัสคาถาสุดท้ายว่าเอตานิสานิกัตวานะเป็นต้นพันณ า, นาความแห่งคาถาสุดท้ายนั้นดังนี้ บทว่าเอตานิสานิแปลว่าเช่นนี้เหล่านี้คือมีการไม่ครบผ่านเป็นต้นมีประการที่เรากล่าวมันแล้วบทว่ากตวานะแปลว่ากระทาความจริงคำนี้ไม่นอกเหนือไปจากความว่ากตวานะกตวากริตวาซึ่งแปลว่ากระทาเหมือนกัน บทว่าสัพพธรรมะปราชิตาความว่าสัตว์ทั้งหลายกระทามุงคลเช่นนี้เหล่านี้อันฆ่าศึกสีประเภทคือขันธมารกิเลสมานอภิสังขารมานและเทวปุตตมารแม้แต่ประเภทเดียวทำให้พ่ายแพ้ไม่ได้ในที่ทั้งปวงท่านอธิบายว่ายัางมารทั้งสี่นั้นให้พ่ายแพ้ด้วยตนเอง ก็หมาอักษรในคำว่าสัพพธรรมะปราชิตานี้พึงทราบว่าเพียงทาการต่อบทบทว่าสัพพะโสถิงคัดชันติความว่าสัตว์ทั้งหลายกระทามงคลเช่นที่กล่าวมานี้เป็นผู้อันมานทั้งสี่ทำให้พ่ายแพ้ไม่ได้แล้วย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวง คือในโลกนี้และโลกหน้าและที่ยืนและที่เดินเป็นต้นอาสวะเหล่าใดที่ทำความคับแค้นและเร่าร้อนพึงเกิดขึ้นเพราะการคบผ่านเป็นต้นเหตุไม่มีอาสวะเหล่านั้นจึงถือความสวัสดีท่านอธิบายว่าเป็นผู้อันอุปัตวะไม่ขัดขวางอันอุปศรรัคไม่ขัดข้องเกษมปลอดโปรง่ง ไม่มีภัยเฉพาะหน้าไปก็นิขหิตในคำว่าสัพพ ะ, ะโสถิงคัจฉันตินี้พึงทราบว่าปรัดเพื่อสะดวกแก่การผูกคาถาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจบเทสนาด้วยบทแห่งคาถาว่าตังเตสังมังคลมุตตะมังทรงจบอย่างไรดูก่อนเทพบุตร เพราะเหตุที่ชนผู้กระทำมงคลเช่นที่กล่าวนี้ย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงอย่างนี้ฉะนั้นท่านจึงถือว่ามงคลทั้งสามสิบแปดประการมีการไม่ครบผ่านเป็นต้นนั้นสูงสุดประเสริฐสุดดีที่สุดสําหรับชนเหล่านั้นผู้กระทำมงคลเช่นที่กล่าวมานี้ ตอนสุดท้ายเทศนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจบอย่างนี้เทวดาแสนโกรธบรรลุพระอรหันต์จนวนผู้บรรลุโสดาปติพลสกทาคามิผลอนาคามิผลนับไม่ได้ครั้งนั้นวันรุ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพระานนเทระมาตรัสว่าดูก่อนอานอน เมื่อคืนนี้เทวดาองค์หนึ่งเข้ามาถามมงคลปัญหาครั้งนั้นเราได้กล่าวมงคลส8สบประการแก่เทวดาองค์นั้นดูก่อนอานน์เธอจงเรียนมงคลปริยายนี้ครั้นเรียนแล้วจงสอนภิกษุทั้งหลายพระเทระเรียนแล้วก็สอนภิกษุทั้งหลายมงคลลสูตรนี้นั้นอาจารย์นำสืบๆกันมาเป็นไปอยู่จนทุกวันนี้ พึงทราบว่าศา ส, สนาพระม a j a ์ น, นี้มั่นคงเจริญแพร่หลายรู้กันมากคนหนาแน่นตราบเท่าที่เทวดาและมนุษย์ประกาศดีแล้วเพื่อความฉลาดในการสะสมความรู้ในมงคลเหล่านี้นี่เองบัดนี้จะประกอบความตั้งแต่ต้นดังนี้สัตว์ทั้งหลายผู้ปรารถนาสุขในโลกนี้โลกหน้าและโล ก, กุตระสุขเหล่านี้ ละการคบคนพาลเสียอาศัยแต่บัณฑิตบูชาผู้ที่ควรบูชาอันการอยู่ในปฏิรูปประเทศและความเป็นผู้ทาบุญไว้ในก่อนตักเตือนในการบําเพ็ญกุศลตั้งตนไว้ชอบมีอัตภาพอันประกอบด้วยพาหุสัจจะศิลปะและวินยัยกล่าวสุภาษิตอันเหมาะแก่วินยัยยังไม่ละเพศเขา้ารหาตราบใด ก็ชำระมูลนี่เก่าด้วยการบารุงมารดาบิดาประกอบมูลนี่ใหม่ด้วยการสงเคราะห์บุตรและพันยาถึงความมั่งคั่งด้วยทรัพย์และเข้าเปลือกด้วยความเป็นผู้มีการงานไม่อากูลยึดสาระแห่งโภคะด้วยทานคือการให้และสาระแห่งชีวิตด้วยการประพฤติธรรมกระทําประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนของตนด้วยการสงเคราะห์ญาต ละประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนอื่นๆด้วยความเป็นผู้มีการงานอันไม่มีโทษงดเว้นการทําร้ายผู้อื่นด้วยการเว้นบาปการทําร้ายตนเองด้วยการระวังในการดื่มกินของเมาเพิ่มภูนฝ่ายกุศลด้วยความไม่ประมาทในธรรมะทั้งหลายละเพศเข้ารือหัดด้วยความเป็นผู้เพิ่มภูนกุศลแม้ตั้งอยู่ในภาวะบรรพชิต ก็ยังวัดสัมปทาให้สำเร็จด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าและอุปชายาจารย์เป็นต้นและด้วยความท่อมตนละความละโมบในปัจจัยด้วยสันโดษตั้งอยู่ในสับุริสภูมิด้วยความเป็นผู้กตัญญูละความเป็นผู้มีจิตหดหูด้วยการฟังธรรมกรอบงำอันตรายทุกอย่างด้วยขันติ ทำตนให้มีที่พึ่งด้วยความเป็นผู้ว่าง่ายดูการประกอบข้อปฏิบัติด้วยการเห็นสมณะบรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยด้วยการสนทนาธรรมถึงศิลวิสุทธิด้วยตปะคืออินรียสังวรถึงจิตตวิสุทธิด้วยพรหมจันท ร, ร์คือสมณะธรรม และอย่างวิสุทธิสี่นอกนั้นให้ถึงพร้อมถึงญาณทัศนวิสุทธิอันเป็นปริยายแห่งการเห็นอริยสัจด้วยปฏิปทานี้กระทาให้แจ้งพระนิพพานที่นับได้ว่าอารหาัตผลซึ่งครั้นกระทาให้แจ้งแล้วเป็นผู้มีจิตไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมแปเหมือนสินเนรุบันพศไม่หวั่นไหวด้วยลมและฝนย่อมเป็นผู้ไม่เศร้าโศก ปราศจากละอองกิเลสมีความเกษมปลอดโปรง่งและความเกษมปลอดโปรง่งย่อมเป็นผู้แม้แต่ศัตรูผู้หนึ่งให้พ่ายแพ้ไม่ได้ในที่ทั้งปวงทั้งจะถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานด้วยเหตุนั้นพระผู้มิพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายกระทามงคลเช่นที่กล่าวมานี้แล้ว เป็นผู้อันมารให้พ่ายแพ้ไม่ได้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานนั้นเป็นมงคลอุ ด, ดมของสัตว์เหล่านั้นจบพันนามงคลละสูตรแห่งปรมัตถโชติกาอัตตกะถาคุตตะปาธะ